เราจะได้เข้าใจแล้วว่าตลอดเวลาเ0ปีที่ท่าครองราศไม่มีวันไหนเลยที่ท่านจะไม่ทรงงานครับแล้วก็ไม่มีวันไหนเลยที่ท่านจะไม่คิดถึงประสงค์ิกรของท่านนะครับท่านคือตัวอย่างหความเทียนที่แท้จริงหรือตัวอย่างความดีที่แท้จริงที่สัมผัสได้จับต้องได้แบบเป็นรูปธปรรมนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะทราบว่าท่านเป็นยังไงท่าน ทำอะไรให้กับเราบ้างคือตอนนี้เนี่ยสื่อทุกสื่อแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียหรือว่าในโทรทัศน์หรือวิทยุใดๆก็ตามก็มักจะมีแตเ่เรื่องราวเกี่ยวกับท่านอยู่แล้วนะครับนองศึกษาดูแล้วจะทราบว่าทําไมเราถึงรากในหลวงนะครับผมถ้าเราเด็กๆยุคใหม่ๆที่เ ด, ก ย, ยเดกยังไม่ทราบว่าท่านเป็นใครลองศึกษาพระราชกรณียกิจท่านอยู่นะครับเราจะทราบว่าทําไมเราถึงต้องเรียนถึงมาพ่อนะครับผมรักในหลวมครับ สองผลิตภัประกาศเป็นแฟนเล็กกริซี่บอยไตรไม่เกรงใจลูกประกาศลั่นขอเป็นแฟนจูนจูนบอยโกศยพงศ์ยอมรับมีแฟนเยอะแถมมีแฟนมาแล้วทุกเพศยุคเนี้ยศิลปินก็เปิดเผยเรื่องแฟนกันหมดละแฟนสเตอร์แอปพลิเคชันสำหรับแฟน ไม่ว่าคุณจะอยากเป็นแฟนใครแฟนสเตอร์ก็ให้ได้ทั้งหมดแค่โหลดเล่นรับคอยสะสม exp ลุ้นแลกรับขอรวัลสุดพิเศษที่แฟนตัวจริงเท่านั้นจะให้ได้อยากเป็นแฟนตัวจริงโหลดเลยวันนี้ทั้ง ios และ android แฟนคือคนที่นอนมองฟ้ากับฉันวันอาทิตย์แต่ถ้าแฟนไม่ว่างโหลดแฟนสเตอร์แฟนสตอร์แอปพลิเคชันรวมคนดังทุกวงการเพลงดาวโหลดเลยวันนี้ที่ app store และ google play ขึ้นจากเก้าก็แค่ไม่มีฉันวิโอเลตวอร์เทีย number 4 o u ลนลงจากหนึ่งมาติดประต่อริซี่คาเฟ่ number t <three. S 1> เดวิลแตมอภิวัตรเล่นจาก8ก่อนฤดูฝนเดทอย <Number one S 1> ขึ้นจาก 2, 2ดวงอาทิตย์ตรายภูมิรัตน ติดตามการรายงานชาร์ตอันดับเพลงแมวทุกวันเสาร์บ่ายสถึง6กโมงเย็นโดยดีเจปิ้นหน่อยออนไลน์ All line. ทาง businesscat.com และทางแอปพลิเคชัน Cat r ด d i ีทั้ง i อ u ูและ Play Store โหลดเลยฟรีแคดเดีโอตโตแมวมโอเคงั้นไปต่อที่เพลงต่อไปกันเลยเพลงต่อไปอยากจะฟังเสียงน้องอิงในเพลงนี้ด้วยนะฮะรบกวนร้องด้วยกันหน่อย อ่าสำหรับที่นี่มีใครกำลังมีความรักอยู่บ้างมีใครกำลังอกหักอยู่บ้างดีกว่ามีใครแอบรักเขาและเขาไม่รักเราบ้างมีใครมาวันนี้แล้วยังกินไม่อิ่มบ้างไม่ว่าเขาจะรักเราหรือไม่ ไม่ว่าเขาจะมองเราหรือไม่หัวใจที่มีความรักนั้นตีเสมอนะฮะมาเลอาเพลงนี้ด้วยกันขอมือ ฉันมีเคยตัเล มันไปตามความรู้สึกข้างในทำไมต้องเอาใจเราไปผูกไว้ทำไมทำไมต้องคาดหวังเรื่องระ ว, ว่างคนสองคนมันเปล่าเปล่าแต่มันก็ไม่ผิดใช่ไหมาอาจจะเสียในรักต้างแต่ฉันมีใครันหนึ่ง เถ้าฉันมีใครคนหนึ่งทีร่รักจะไม่ปล่อกินบาปแค่ทรับฉันก็คงจะสุขใจกว่าที่เธอไม่ค่หวังอะไรรู้ไหมที่ฉันมีเธอ ฉันอธิษฐานและขอดวงดาวให้ช่วยวีสักที ทังดำเนินเรื่องมาถึงตอนจบพระเอกและนางเอกกอดกันพระเอกมองตานางเอกคุณมีค่าสำหรับผมเสมอคัดครับคุณค่าผมคัดครับฉันรักคุณค่าคัดจบแบบไหนมีคุณค่าที่สุด คุณเลือกเองได้30ปี h ฮค p r e รีเซนเอาเธอมาทำเป็นหนังเทศกาลประกวดหนังสั้นที่คุณเลือกตอนจบได้ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0แสนบาททรงหนังสั้นความยาวไม่เกิน10นาทีพร้อมตอนจบอย่างน้อย2แบบอย่าลืมชากผลิตภัณฑ์อาหารโรซ่าในหนังอย่างน้อย1ครั้งหมดเขต27สิงหาคมนี้ดาวน์โหลดไปสมัคร w w w d t h i s i s c a p com สอบถามโทร0ย์ 246-8311 แหละเฟซบุ o กไ h คิวช็อตฟิลมสนับสนุนโดย30ปีไฮ q ิคุณค่าอยู่ในสิ่งที่เราเลือกทำแฟนคือคนห่านข้าวแต่ถ้าอยากมีคนดังเป็นเพื่อนกินข้าวโหลดแฟนสเตอร์แฟนสเตอร์ ster, แอปพลิเคชันรวมคนดังทุกวงการเพลงดาวน์โหลดเลยวันนี้ที่ App Store และ Google Play จดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวขอบคุณฟังครับสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่หนึ่งสองสามสี่กรกฎาคมครับพูดอย่างเงือบทำเทปเลยนะฮะฮะไม่เพราะว่าปฏิทินยังเป็นจูนจูนอย่างเงี้ยอ๋อไม่เปลี่ยนปฏิทินยังไม่เป็นจุลายจุลายนมันยังเป็นจูนจูนไม่หงุดหงิดต้องนับนิดนึงเราเริ่มมาจากเพลงบรรยากาศสดในคัตฟูริวอลค่ะครับก็ต้องบอกว่าสองคู่ฮะ เป็นเพลงคู่สมัยก่อนเนี่ยเรารู้จักรวมดาวเนี่ยรวมดาวของ้ารู้จักเพลงโลกเขาครูลักอะไรเนี่ยเอ๊ะใครไหนกันเพียงนันอ๋ออย่างเงี้ยนี่ผมไม่นึกเลยเนอะว่าเวลาผ่านใบบาทประมาณนี้ผมยังได้ฟังเพลงคู่อีกครั้งนะพี่บูโอโหนี่มันทำให้บรรยากาศผมเนี่ยมีความสุขมากไม่ทราบว่าเป็นครูเพลงท่านไหนที่ร้องอะเมื่อสกครู่เมื่อกี้ฟังแล้วรู้รู้รู้เลยว่าคนร้องกาลังยิ้มอยู่อะ ทั้งสองอะถึงเพลงที่สามใช่ไหมฮะทั้งหมดนะคะทั้งหมดเพลงที่สามนี่ผมแบบบองตรงเลยว่ามันไส้มากๆมันไส้จริงจริงๆิงไทว่าช่วยช่วยบอกวีทาไมไม่ใช่แล้วน้องวีจบอ่ะทนจบด้วยให้ช่วยบอกวีเล่นกับเขาอีกอ่ะเนี่ยดูสิทำไมเราไม่เอาบทเรียนแบบรุ่นพี่ในวงการมาใช้บ้างฮะที่ตอนทา อยากเลยฮะลีกหลีกให้ด้วยเปลี่ยนน้องเป็นเนื้อนิดนึงได้ไหมอยากจะรู้พี่นพเป็นยังไงกับคําพูดวันนี้โหโอวีเล่นด้วยโอวเล่นด้วยแล้วเราไม่มีมากเลยหาพี่บอยในเปลงของเราเงี้ยฮะอยากเลยอันนี้อันนี้อันนี้แค่แบบเปลี่ยนเนื้อแต่อันนี้แบบดูอุทิศชีวิตอืมยังไงครับดูแบบดูลงทุนนะคะเต้นอืม ทราบข่าวมาว่าถึงกับขาแพงคือในงานอ่ะของถูกหมดแต่มีแพงอยู่อย่างนึงขาแพงมีแพงที่เดียวมันที่รถไฟเดนี่มันแพงไม่ได้เพลงนั้นอืมมันแพงเพลงอื่นมันมัรู้สึกตัวตอนนั้นหรือเปล่าไงตอนที่จังหวะที่แพงเนี่ยจริงจริมันอาจจะยังอิ่มยังอิ่มไงมันยังเอิบอิ่มในตัวเบาไม่ว่าเธอจะรักฉันหรือไม่แบบฟังดนรีการแสดงสดมันมีเสียงตุอ๊มไม่ใช่มันอาจจะเป็นแบบกระโดดเต้นอะไรอย่างงี้ปะ ไม่มันมีจริงลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใหม่ลองซูมลองระบบฟังใยายดูเออเพลงอื่นเพลงอื่นโอ้โหก็เข้าใจไงพี่บุมว่าบางคนเนี่ยที่ก็บอกว่ามีความสุขแล้วมันเหมือนแบบเดินบนตัวลอยหรอเดินบนปุยเมฆอะไรเงี้ยมันรู้สึกตัวมันจะลอยเบาๆไงใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ที่แบบ นักล้อบางคนก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเขาเบาเขาลอยขึ้นโดยที่เขาลืมใช่โดยที่เขาลืมว่าเขาไม่ได้อยู่บนดงจันทร์มวลของเขาเนี่ยมันยังเท่าเดิมไงฮะมันไม่ได้ลดลงไปโออันนี้ก็ใส่เต็มที่นะคะรองเท้ารองเท้ามันแบนด์ไม่มีโ้นจริงๆไม่ได้ใส่คู่นี้เลยปกติแล้วมัใส่แล้วทํำไมถึงเป็นคู่นี้ขึ้นมาครับใส่คู่นี้หรือใส่คู่อินคืออะไรวะคู่ไหนก็ไม่เท่าคู่อินคืออะไรไม่มีเงินคนนะ อันอันเนี้ยพี่บ่อกเองยังดีพี่อดุลนะคะพอร้องกับน้องอิงจบแล้วเราลงกันเลยไหมความสุขเราได้หมดลงแล้วคือประกาศบนเวทีเลยค่ะชัดเจนแล้วลงมาจากเวทีนะคะก็ไปมีอดินมีมีพี่ดุลดวงภรยาพี่พี่อดุลเนี่ยไปเข้าห้องน้าค่ะนอิงก็เดินเข้ามาพอดีเลยอุ้ยน่ารักจังเลยเล่นกับน้องอดินบูมบูมบูมถ่ายรูปไว้หน่อยดิพูดเบาๆภรรยาไม่อยู่ความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะ ของทั้งสองวงก็ต้องถ่ายที่ลึกไงทำไมอ่ะบูมคิดในก็ไม่ได้คิดก็มุงว่าถ่ายให้ดีๆก็ต้องบอกว่าได้ความสูงของทั้งสองวงนก็ได้เผื่อแผงทุกคนใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะแต่ฟรายเดยครับก็ต้องพูดถึงวงนบพรชมณีฟิ u ชิ่ง w ีเ l It and อ h e g กุ u ปตัวเม t ิ c ด้วยอันนั้นหนักเลยนะครับนบเมทิกเนี่ยเมื่อสักครู่ตรงที่มีที่บอกอะไรให้น้องวีนึกหน้าออ นึกหน้าออกนะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงครับอือโอ้โหแล้วมีอันนึงค่ะเชฟค่ะเชฟเชฟอะไรฮะเชฟนะคะเชฟที่อยู่ในเข้าเข้าเข้าแมวเนี่ยค่ะครับ <c oughs> วิ่งใส่หมวกเชฟมาเลยอนะมาดูเพลนนิทามทั้งเพลงเลยค่ะและแล้วคือแบบหมวกนี่เด่นมากคือสูงหมวกก็สูงไม่ถไม่ใส่ชุดเชฟใส่หมวกด้วยมันนั้เขาเป็นเชฟเด่นโดดเด่นโดดเด่น แล้วไม่คิดเลยว่าหมวกเนี่ยจะยืนบางคนอื่นเข า, าเขาไปยื น, นในในแบบข้องนักเข่าข้างหน้า<ม>แล้วใส่ชุดเชฟซะเต็มเลยแล้วก็เรียกแดนนี่บอกมืออาอาเรียกมาไม่ได้เรียเรียกไม่ได้เรียกแดนเออเรียก ใ, ใครเรียกกล้องเพราะว่ากล้องกล้องหน้าเล่นดีมากถ่ายรูปหน้ากล้องไม่ได้เลยก็เรียกให้เขาเงินหน้าขึ้นมาค่ะแต่ในในถัดมาสบตาแล้วก็ โอ้ยแหนละคนนะโน้นว่าผมกลัวบงทีค่ะเราจัดงานอะไรกันเนี่ยอะไรวะเนี่ยนะฮะเมื่อกี้วงซัมเมอร์ตอะที่มาเมื่อกี้คู่เนี่ยมาช่วงพี่เอเนี่ยผมก็มองเข้ามาเฮ้ยมีคนถ่ายไลฟ์ด้วยเดินแบบกิ่งหรืกุ้งครับผมเห็นไอ้กุ้งพยายามจะขึ้นมาอยู่โคโปแล้วเนี่แหละฮะอือเีให้ถ่ายค่ะวันนั้นไม่ดูวันนั้นไม้ปันเหอปันค่ะ BNK48 ค่ะคีอไม่เคยขึ้นมาไลฟ์เลยมันขึ้นมาวันนั้นค่ะแบบเหงื่อท่วมเลยแบบดูแบบเออเป็นไงอ่ะตรงตรงซีนเนี้ยครับอะไรกันดีครับคีทีป็นก็เดีฮะวันนั้นไม่ใช่เฉพาะปันนะที่ผมทราบข่าวมาว่าในห้องส่งของเราวันนั้นอะยังมีพี่จ่องอะคะพี่มงมงอะคะพี่มงเข้ามาด้วยมล่ะฮะ BNK48 ปันบอกว่า พี่มงเนีบอกไปให้ปันเก็บภาพกวางนี่คือเสียงของกุ้งนะครับไม่ต้องตกใจกันแล้วเดี๋ยวพี่มงจะเก็บภาพแครคือทําไมเราต้องมาเก็บอะไรกันเยอะ <ๆ S 1> สองตัดภาพไปผมไม่ถามไม่มงมงได้ข่าวว่าเข้าไปในห้องได้เหรอคุยพี่ไอ้ปันวันนั้นมันเงื่อนแตกทั้งตัว <c oughs> ผมกลัวมันจะไม่ไหวเข้ามาช่วยคือเอ็นดูแบบว่ากลัวน้องเดี๋ยวเป็นลมเป็นลมอะไรงี้ผมต้อเข้าไปช่วยพี่หัวเงืนมันแตกเงื่อมันแตกทั้งตัวเลยพี่ เขาบอกหายใจแรงจริงๆเพราะว่ากินหายใจโยนแบบดังฟืดดังฟืดตอนนี้จองเล่าเหมือนกันบอกว่าถ้าใครได้ดูไลฟ์เนี่ยก็จะมีโอยน่ากลัวจับเป็นหอบพื้นอยู่แล้วนะมันไม่หอบโอ้ยไม่หอบพื้นเป็นหอบพื้นโอ้ยน่ากลัวเป็นหอบพื้นอ๋อไม่ต้องฉีดอะไรของมันทุกวันน่ะเหรออืมแบบมันแสดงว่าไม่ได้แบบไม่ได้ตกใจไม่ได้ตื่นเต้นแต่วันวันงานเนี่ยน่าเกียติมากเลยค่ะวันงานนี้คุณคุณวอที่เป็น AE ีค่ะ ไปเป็นไปเป็นการดในโชว์นี้ฮ่ะวอลซึ่งดูลูกค้าอยู่สามตัวเฮ้ยบนบนดย์ไปหาวอที่บูธแฟนเซอร์ก็ไม่เจอแล้วเอมคงไม่มีปัญหาอะไรนะเจอคุณวล่าสุดพี่ภูมิพี่ภูมิพี่ภูมิไฟไหม้ไฟไหม้อะไรวะมีมีมีชามไม้ชามวะชามอะไรชามอะไรเดี๋ยวเดี๋ยววอลใจเย็นชามอะไรชามอะชามกระเบื้อง น้องเขาทำบเกอร์ค่ะเป็นแบบที่ที่ใส่น้ำพึ่งน้ำพึ่งอ่าละลายเห็นอยู่ในรูปเคอเข็มเขาใส่เว่นแล้วก็ลืมโมงเลยค่ะว่าถ้าเกิดควันแรงกว่านี้จะทําให้สัญญาณสัญญาณสัญญาณเตือนภัยที่แอรพอร์ตลิงดังค่ะแล้วก็จะน้ำจนไหลลงมาทางแอรพอร์ตลิงเลยค่ะแต่งาเราจะดังเลยนะน้ําเออแล้วผมว่างงว้คุณวอลเกี่ยวอะไรแล้วผมรู้ว่าบูลูกค้ามีปัญหาเสื้อเนี้ยไม่ใช่บูลูกค้า งงงงอยู่สามทุกมครึ่งได้ก่ปีค่ะเหรอไม่ไม่ตอบจดหมายเลยไปก่อนแล้วกันไปนะคะสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21นาฬิกาสสิบนาทีศูนวินาทีออฟฟิศที่ไหนก็ชอบคนตรงต่อเวลาลองดูสิลองเลิกงานตรงเวลา เอกไปนั่งที่อื่นดูบ้าหงถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไร Bring it on. SYNC Corporation 2,860 หไมล์คือระยะห่างระหว่างผมกับมิยาบิ U R O E I Hashimoto A K B 4 8บางทีเร็วๆนี้ผมอาจจะได้ใกล้พวกเธอมากขึ้นได้ยืนบนพื้นดินเดียวกันกับเธอเร่มเร่ง Honda presents แคทต์รั迪โอโง่ญี่ปุ่นสองเที่ยวจิบลิตสตูดิโ t โตโตโรฟอเรสฮอนด้าคอลเลคชัน hall ดูดนตรีสดที่ชิโมกิตาสาวะแช่ออนเซ็นริมทะเลขี่จักรยานชมดอกไม้ที่ฮิตาชิ4สายปากและครั้งหนึ่งในชีวิตกับเทศกาลดนตรีระดับโลก Summer ร์โซนิกร่วมเป็นนายแบบนางแบบให้สองตากล้อง DJ กันและไมเคิลร่วมสนุกตอบคำถามสะสมไมยทุกช่วง DJ เจลุนบินฟรีที่0ู5ย์สอ1หสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda ให้ออเนียลฮอนด้าสกูหม่รอวม สร้างเส้นทางครั้งแรกไปกับคุณและสายการบินไทยแอร์เอเชอหิวหิวหิวจนตาลายไส้เกิว่วมือนิ้วสั่นท้องร้องลั่นน้ำมืดเวรโซเซอดแก๊สหมดกระเพาะโม่งใจวิวหน้าเยเกน้ำย่อยเทพรวดพลาดกระจัดกระจายอดร้านข้าวปิด หิวเบอร์ไหนไม่มีอดถ้ามีโรซ่าพร้อมอาหารพร้อมทานไม่ต้องแช่แข็งไม่ใส่วัตถุ ก, กันเสียอร่อยเนื้อเนื้อเน้นๆทั้งซุปโจกเส้นกับข้าวโรซ่าพร้อมแค่ฉีกซองมื้อไหนๆ ไ, ไม่มีพลาดช็อกวงการสองพราดอกประกาศเป็นแฟนเล็กกรีซี่บอยไตรไม่เกรงใจลูกประกาศลั่นขอเป็นแฟนจูนจูนบอยโกศัยพงศ์ยอมรับมีแฟนเยอะแถมมีแฟนมาแล้วทุกเพศยุคเนี้ย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 แอแอปพลิเคชันรวมคนดังทุกวงการเพลงดาวน์โหลดเลยวันนี้ที่ a อ p Store และ Google Play จดหมายเด็กแมว ก็ต้องขอขทุกคนนะครับสำหรับแคทฟูดดิวที่ผ่านมานะจริงๆิที่กุง้งดินเข้ามาเนี่ยกุ้งได้ยินได้ได้ยินมาคุยเรื่องอดินกุ้งเลยเดินเข้ามาทำไมฮะอยากคุยเรื่องอดีน <laughs> คือในงานกุ้งไม่เจอพี่บูมเลยเจอพี่บูมอยู่ทีเดียวคือตอนเล่นอยู่กับน้องอดินน่ารักใช่ซึ่งกุ้งมีรูปฮะอ้าว <laughs> เลว <laughs> ทำไมรูปการเป็นรูปพี่บูมน้องอดินเออสมแบบัยนี้กุ้งจะขออวดให้ชาวโซนไม่ไม่ไคือรูปเนี้ยพี่คือจริงมั่งกันอยู่หลายคนทีนี้กุ้งมันเจาะคือถ่ายไม่เอาแม่เขาเลยอดินคือนั่งกันอยู่ประมาณหกคน อ, อ ถ, ถ่ายแล้วน <ะ S 2> หนึ่งเหมือนบูมเป็นแม่อดินถ่ายบูมเป็นแมเป็นครอบครัวถ่ายบูมอดี๋ต้องก็คนอีกคนหนึ่งคือมันมันแบบ ทุเรศอะแล้วก็ดินหน้าเหมือนเด็กญี่ปุ่นอีกคนอีกใคระอีกคนทุเรศอะกุ้งบอกออกอากไปได้เดี๋ยวกุ้งเอารูปให้พี่บอยดูเดยอโอเคโอเคมันไม่ได้อยู่ตรงบูมกับอดินไงมันอยู่ตรงคนที่สานแรักเหมือนช่วยกันเลี้ยงลูกโอ้โหเออแคทฟูดีว่าก็อยากเห็นอะ่เลยพิเลยงพิ่เพิพ่เิ่งเงเพิ่แคพพเเ่งิิิ เข้าครัวอบอุ่นอบอุ่นแต่อดินหน้ารังจริงนะแก้มหูหน้าตาแบบเต็มเจ็ดีอุ้มป่ะเต่งตึงไม่กล้าอุ้มอดินกลัวเมื่อเมื่อยกลัวเมื่อยกลัวทั้งพลล์ไม่กลัวใครทั้งงานกลวยเมื่อยคนเดียวไม่กลัวเขาไปเล่นที่บ้านกันไปแล้วนะนายกลัวกลัวไม่ให้ไอ้เมื่อยอุ้มควรอุ้มได้หมดเลยอ๋อเออแต่ไม่ให้ลุ้มแต่ว่าตอนกุ้งอยู่อ่ะคือนอนเล่นหนวดพี่เมื่อยอยู่เออไม่ให้อุ้มอาจจะไม่ให้อุ้มแต่เล่นหนวดกลัวเมื่อยใส่หมวก อ๋อกลัวคนใส่หมวกเพราะว่าอดุลเคยบอกว่าเออเออเหมือนเคยได้ยินเรื่องนี้ว่าเขากลัวคนใส่หมวกหรืออะไรไม่ใช่พี่ดุลก็ใส่หมวกไม่ได้เลยด็เกลียดพี่มุมอ๋อแล้วเกลียดครับผลลัพธ์ดังมากเลยนะแล้วเหมือนพี่พี right ่อะไรนะพี pues ่อดุลเนี่ยบอกว่าพี่เมื่อยปกติต้องใส่หมวกคลิปลุกออกจากบ้านนี่มันไปหาดินโยมถอดหมวกเพื่อไปหาดินวันนันผมยาวไปเลยแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเม่เมื่อยไม่เคยนะ ไม่เคยนะพวกเราไม่เคยเห็นนาะเมื่อถอดหมวกตอนเล่นละครก็ไม่เคยเนาะไม่เคยไม่เคยมันไม่ถอดมันถอดแบบมันใส่มาตั้งแต่บ้านเลยเนาะอเออไว้ให้โหว่าดินมีอะไรไหมฮะสําหรับแคทฟู้ดดีวอลไม่มีนะไม่มีนะคะก็ต้องขอบคุณอืมคุณคุณสันคอหมูย่างอร่อยมากครับขอบคุณมากครับผมก็ตกใจฮะฮะพวกเฮียถามใครเด็กที่ต้งถตามใช้เด็กทั้งทัสามคนนะฮะบดบู๊ผมเนี่ย ปิ้งหนึ่งหั่นหนึ่งอีกคนเรียกหนึ่ะได้ข่าวขาดทุนอ่ะขาดทุนใครหมดตั้งกบายสามขาดทุนที่ดูดิไม่มีเลยฮะใช่ปีนี้ไมัมแล้วนะเหมือนพี่บอยเราขายถูกเราอยากให้คนได้กินนี่ดีนี่จริงๆคือเราเพราะว่าเราจ้างคนเยอะอืระบบจัดการของเราแน่นหนาหนักไปทั้งระบบงานเงินไปอยู่ตรงระบบจัดการแต่ขอบคุณยิงไงทุกคน ที่มาอุดหนุนด้วยนะแล้วก็ที่มาเที่ยวงานกันสนุกสนานมากๆแต่แต่เรื่องที่พี่กิ่งให้ปลาน้อยนี่เรื่องจริงปะเฮ้ย อ, อ๋อจริงๆ ร, ริงนี่ขยายสิฮะ ข, ขยายสิค่ ะ, ะตกลงกันไว้ว่าหนึ่งชามในข้าวแมวเนี่ยจะได้ปลาทูนหนึ่งตัวเราซ้อมกันแล้วเราก็เลยเตรียมปลามันเนี่ยสี่ร้อยตัวปลาตัวหนึ่งมีสองด้านอืได้คือได้ทั้งตัวเลยใช่ค่ะปรากฏปลาเหลือครึ่งหนึ่งค่ะแล้วข้าหมดของหมดทุกอย่างเพราะว่ากิ่งอะค่ะให้ไปครึ่งตัวอ้าวโกงปลาคุณผู้ฟังค่ะ มีหน้าผมก็เห็นขายไหม่หมดสัทีมผมหมดตั้งแต่ห้าห้ามงเย็นผมเดินมาทำไมมันยังสองรอยจานอยู่เฮ้ยทําไมตรงนี้มันไม่เห็นมันทำไมมันยังแค่สองร้จานนี้ไม่ถึงอีกเหรองงอ๋อยังไงนะะลืมค่ะว่าไทยครึ่งตัวหรือตัวหนึ่งกงกงปลาแต่ก็รู้สึกว่าน้อยอะไรองเง้ยแตาครึ่งตัวมันก็ มันก็พอดีกับข้าวที่ให้วันนั้นนะคะแล้วมันจะอร่อยมากแล้วปลาที่เหลือเนี่ยไปไหนอะคะที่เหลือเนี่ยเขาแบ่งกันค่ะ<บ> <laughs> ไปอยู่เอามาใส่ฟองน้ำมาไปอยู่มัน <laughs> ไม่เยอะเลยอ่ะกิ่งก็ไม่เยอะค่ะเป็นร้อยเหร อ, ม, อมันก็ต้องเป็นร้อยดิตามสัดส่วนแสงว่าแล้วหลังๆแถมไปหอหรือไง ขย่อมเพิ่มขึ้นใช่หรือแกะไปกินไปใช่เพิ่มขึ้นแกะไปกินต้นหลังๆเริ่มให้เยอะขึ้นค่ะแต่เสียได้อย่างหนึ่งข้าวแมวเนี่ยค่ะกากหมูอ๋อกากหมูแข็งมากพี่จ้องบอกว่าไม่มันแข็งไปเลยไม่ไปซื้อที่ไหนเนี่ยกากหมูไม่ไม่เวิร์กเอาไปโทษเขาอีกทําไมตัวเองเป็นเชฟเออเป็นเชฟล้างโบล้างพลิกล้างเพลิงลงโซเชียลเขาเขาอะไรไม่อร่อย เอาไปโทษเขาอีกเอาเป็นเชฟต้องรับผิชอบแต่เป็นเชฟที่ทํำข้าวแมวแล้วแบบมีก้างเกลื่อนหลุดไปนี่ผมได้ข่าวว่าลูกน้องผมทข่าวน้องผมนี่ถึงกับต้องเดินมาฟ้องนี่ชื่นใจใช่ไหมชื่นใจก็ไม่ดูชอจร้องชอจ้องวิ่งมาฟ้องเาดินไปพูดอย่างนั้นนะผมไม่รู้ทีหลังอันนี้ลุงจ่องมาเล่าให้ฟังเขาพูดว่าอะไรนะพี่ ปามีก้างเดินไปตั้งไกลนะพี่นั่งห่นเดินยังไงฮะไปทำยังไงมีก้างทุกจานเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่คำแก้ตัวมันมีทุกจานแต่จานแรกๆยังไม่มีนี่พี่กินจานแรกๆอย่างนี้ดูแบบเรียบร้อยเหนื่อยคนเยอะแล้วก็บ เราคิดถึงไหมน้องชื่นใจกินเกิดก้างเติดคอเขาจะทำยังไงดีแล้วเนี่ยเออกิน่ะเขามาฟ้องเนี่ยชื่นใจขี้ฟ้องอ่ะมาฟ้องลุงจ่องแล้วพี่วุ้มได้กินมาหรือว่ไม่มีอยู่แล้วก้างหองคอไม่ได้กินไม่ได้กิน ผมว่ารถไฟอะไรนะผมว่าไม่ได้ใกล้ขวางผมว่าสับไม่ทันสับรางไม่ทันนะวันนั้นรายการของเราเป็นรายการตอบจดหมายนะครับ <c oughs> เราจะเริ่มตอบจดหมายฉบับแรกเลยแล้วกันจากจังหวัดชัยนาธฮะยี่สิบสองทับพคทับหกศูนย์พคถูกแล้วทูพี่พี่จดหมายเด็กแมวสวัสดีครับพี่พี่จดหมายเด็กแมวสวัสดีครับพี่ <ๆ S 1> พบอยไตรพี่คมสันพี่เล็กกริซี่คาเฟ่ พี่บูมท่านหัวหน้าจ่องและพี่ๆทีมงานแคทเลดีโอทุกคนนะครับครับหวายไม่มีเจดกับกิ่งหวายจนหมายจะแบบนี้ถูกเขียนขึ้นตอนผมเข้ารับราชการทหารได้ยี่สิบสองวันโอ้ oh. ผมอยากจะเล่าความรู้สึกตอนนี้ให้พวกพี่ๆได้ฟังมันคงเป็นหนึ่งในช่วงเวลาชีวิตของผมช่วงเวลาชีวิตที่ผมคงไม่มีวันลืมจุดๆเรื่องมันเริ่มต้นเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน วันที่ปีนี้ผมไม่ได้ไปงานแคททีเชิร์ตเพราะว่าเป็นวันเกณฑ์ทหารที่จังหวัดผมพอดีแอบเสียใจอยู่ลึกๆไม่ได้ไปชมและอุดหนุนพี่ๆศิลปินแต่ถึงอย่างนั้นในวันเกณฑ์ทหารผมก็ใส่เสื้อของงานปีที่แล้วไปนะครับฮ่าๆผมเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบครับตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าวุฒิการศึกษาของผมออกทันผมจะสมัครทหารครับในตอนแรกตั้งใจจะสมัครท <c oughs> หารอากาศแต่เต็มซะก่อนผมเลยได้ทหารบก ผมใช้วุฒยื่นสมัครระยะเวลาในการเป็นทหารของผมคือ6เดือนครับส่วนตัวแล้วผมเป็นคนขี้เบื่อเหาะแย่ทําอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยอยากลองหาอะไรใหม่ๆเบื่อเบื่อเบือเ่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเผื่อปะเพื่ออ๋อเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดูครับนี่คือเหตุผลที่ผมสมัครทหารหลังจากวันที่หนึ่งเมษา ชีวิตของผมอีกหนึ่งเดือนต่อจากนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ในตอนแรกตั้งใจว่าจะออกกําลังกายเตรียมร่างกายเพื่อไปใช้ในค่ายแต่สุดท้ายผมก็เลือกใช้ชีวิตหนึ่งเดือนตอนนั้นกินเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนๆประหนึ่งว่าชาตินี้เราจะได้ไม่กลับมาเจอกันอีกการออกกําลังกายของผมเลยถูกกลืนหายไปกับคาว่าเพื่อนจนถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันที่ผมต้องไปรับราชการทหาร เช้าวันนั้นผมตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะต้องไปรายงานตัวและเลือกหน่วยฝึกทหารด้วยความที่อำเภอที่ผมอยู่นั้นไกลจากตัวจังหวัดพอสมควรทางครอบครัวเลยไปส่งผมที่จังหวัดทางครอบครัวเ ล, เลยไปส่งผมที่จังหวัดเพื่อขึ้นรถของทหารเมื่อไปถึงเขามีเบี้ยเลี้ยงให้หนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นค่าข้าวค่าน้ำบรรยากาศในวันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่ บรรยากาศในวันนั้นเป็นอีกวันที่เวลาอยู่ในค่ายนึกถึงแล้วผมกลั้นน้ําตาไม่เคยอยู่สักทีลูกผู้ชายหลายร้อยคนยืนกอดแม่แฟนเพื่อนร้องไห้กันแบบชนิดไม่มีใครอายใครตัวผมเองในวันนั้นมีแม่น้าชายและเพื่อนอีกหนึ่งคนไปส่งในตอนขึ้นรถทหารผมพยายามกลั้นน้ําตาครับสุดท้ายไม่อยู่ผมอธิบายความรู้สึกในตอนนั้นไม่ได้เลยว่าร้องไห้เพราะอะไร แต่ภาพที่เห็นคือรอยยิ้มของแม่ครับผมโผล่ไปทางหน้าต่างและโบกมือให้แม่และแม่ยิ้มพร้อมโบกมือให้เท่านั้นแหละครับน้ําตาที่กลั้นอยู่ไหลออกมาแบบห้ามไม่ได้และร้องเกือบตลอดทางจนมาถึงจุดแยกหน่วยภายในจุดแยกหน่วยก็มีของกินขายมีทหารมาร้องเพลงให้ฟังหรือใครอยากร้องก็ขึ้นไปร้องได้บรรยากาศดีครับนั่งฟังเพลงเก่าๆที่ไม่ได้ฟังนานผมนั่งอยู่ที่จุดนั้นตั้งแต่โอ้โห เก้าโมงเช้าถึงยี่สิบสองนาฬิกาครับใช้เวลา น, านานมากกว่าจะได้หน่วยฝึกคูณนี้คือวันหนึ่งเลยนะเก้าโมงเช้าถึงยี่สบสองนาฬิกานะพี่ม้านะพี่จะอ่านไม่ทิดไม่ผิดไม่น่าจะเป็นสนะิบเอ็ดนะผมถูกเลือกให้อยู่หน่วยบริการครับหลายคนบอกว่าเป็นหน่วยที่ฝึกไม่หนักเพราะฝึกเพื่อเรียนรู้ระเบียบวินยัยและวัฒนธรรมในแบบของทหารเมื่อทราบหน่วยแล้วก็ขึ้นรตมาลงที่หน่วยของตัวเองมาถึงก็ตัดผม รับข้าวของเครื่องใช้ของค่ายกว่าจะได้นอนก็เกือบตีสองแล้วครับกิจวัตรประจําวันของผมที่นี่คือตื่นนอนตีห้าออกกําลังกายทําความสะอาดอาบน้ํากินข้าวฝึกวิชาทหารบ่ายทานข้าวฝึกวิชาทหารกลางคืนอบรมนอนเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารการกินอยู่ค่ายที่นี่สุขภาพดีแน่นอนผัก1ไร่ไก่1นกิโลการนอนมีเตียง มีพัดลมมุ้งพ่อห่มพัดลมนี่แล้วแต่ดวงนะครับใครจะนอนตรงอ๋อแล้วแต่ดวงนะครับใครว่าใครจะนอนตรงชีวิตดําเนินไปแบบนี้เรื่อยๆครับหนักบ้างเบาบ้างก็ยังพอไหวเพลงอะไรนะพี่บอยนักบ้างเบาว่าก็ยังไหวนั่นสิหนักบ้างเบาบ้างอีกอย่างของที่นี่ฝนตกบ่อยมากครับตกแบบห้านาทีสิบนาทีหยุดสลับกันแบบนี้บ่อยมาก มาค่ายได้5้าวันทางหน่วยฝึกให้เขียนจดหมายถึงทางบ้านว่าเราอยู่ค่ายไหนเพื่อจะได้มาเยี่ยมถูกผมก็นั่งเขียนจดหมายเหมือนคนอื่นๆแต่นั่งเขียนไปน้าตาไหลไปเขียนหาแม่เขียนชื่อเพื่อนเพื่อเขียนบอกว่าเราสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงเป็นความรู้สึกจริงๆที่อยากบอกเพื่อนๆหลายคนก็เปลนครับนั่งเขียนจดหมายร้องไห้กันกาหนดการวันเยี่ยมญาติวันที่22ครับก่อนถึงวันทางค่ายให้มีการจัดการแสดง เพื่อให้ญาติได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกหลานผมก็ได้รับเลือกให้แสดงครับผมได้โชว์ในชุดการแสดงยุทธวิธีการรบคือการจำลองสถานการณ์การรบมีการใช้ปืน M16 มีการจำลองระเบิดจริงๆผมได้ฝึกซ้อมอยู่3ามวันครับยอมรับว่าเหนื่อยมากเพราะเพราะวิ่งหมอบคลานต่ำคานสูงวิ่งแบบโหปืน M16 ที่ใช้ <c oughs> ใส่ลูกกระสุนซ้อมครับกว่าจะได้โชว์ก็ได้แผลถลอกเต็มตัวแต่สนุกครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ทำอะไรแบบนี้จนถึงวันเยี่ยมญาติโชว์ของผมเป็นโชว์สุดท้าย <c oughs> ตอนเริ่มโชว์ทุกคนก็เฉยเฉยพอเริ่มมีเสียงระเบิดเท่านั้นแหละครับทุกคนตื่นเต้นแ ต, แต่เสียดายอย่างแต่เสียดายอย่างวันนั้นแม่จาผมไม่ได้เนื่องจากผมพลางหน้าพรางตัวกว่าจะได้ลงมาเจอหน้าแม่ก็อาบน้ำล้างตัวทางครูฝึกประกาศตามหาตัวผมให้วุ่นหมดครับจนได้เจอหน้าแม่ แม่ยืนรอผมผมใส่ชุดทหารเต็มวิ่งลงมาจากที่พักผมวิ่งเข้าไปกอดแม่แม่ผมร้องไห้เลยครับเห็นแม่ร้องไห้แล้วผมก็อยากจะร้องตามแต่ผมก็กลั้นไว้ครับท่านจะได้รับรู้ว่าผมสามารถอยู่ที่นี่ได้จริงๆนอกจากแม่แล้ววันนั้นเหล่าเพื่อนชนิดก็พามาันมาหลายคนครับนั่งคุยถามความเป็นอยู่ของกันและกันผมมีความสุขมากๆครับในวันนั้นจนถึงเวลา15บหนาฬิกาหมดเวลาเยี่ยม ในวันนี้ผมเห็นน้ำตาลูกผู้ชายของหลายๆคนยืนกอดแม่แฟนลูกอำลากันอวยพรกันเป็นอีกหนึ่งวันในชีวิตที่ผมคงจดจำไปจนวันตายว่าคำว่าคิดถึงมันเป็นความรู้สึกยังไงโหดีจังสุดยอดเรื่องที่ผมจะเล่าก็มีอยู่ประมาณนี้ครับไว้อีกเจ็ดสัปดาห์หลังจากนี้ผมจะมาเล่าความประทับใจเรื่องที่น่าจดจาชีวิตที่ใช้อยู่ในค่ายเป็นยังไง ตอนนี้ผมคิดถึงเสียงอ่านจดหมายของพี่พี่เสียงหัวเราะของจูนจูนวีวีด่าเสียงร้องเพราะๆของแมวสดแล้วก็เพลงในคลื่นมากอยู่ที่นี่ผมฟังแต่เพลงอิสานฟังจนร้องได้หลายเพลงแล้วครับห้าห้ห้าและหลายเพลงก็เคยฟังบางเพลงก็ใหม่มากสำหรับผมแต่หลายคนในที่นี้ร้องกันได้หมดครับปลอนี่เป็นจดหมายฉบับแรกของผม เ้ข <Hey. S 2> <Hey. S 1> าตกบกพร่องตรงไหนขออภัยด้วยนะครับด้วยความเคารพพลทหารโต1นึทัพหกสิปอลอถึงจะไม่ได้ไปงานแต่ก็ไม่ได้ลืมอุดหนุนเสื้อแคทนะครับโอ้หน่ารักมา ก, ากมปอลอถ้าจดหมายนี้ได้อ่านออกอากาศช่วยส่งลิงก์ย้อนหลังมาที่ Facebook บิ๊กโตซิลีด้วยครับ ได้อ่ะเดี๋ยวให้พี่เจดเดี๋ยวหพี่เจดส่งลิงก์ให้นะตอนนี้น้องคงอยู่ในค่ายซิลลี่ฟูลนี่เหรอบิ๊กโตซิลลี่เราไม่รู้หรอกพี่ตาจจะใช่ก็ได้นี่พี่โต้เหรอฮะตายแล้วแหมตื่นเต้นเลยดีอะย่างไรช่นวันนี้อ่าเรารู้สึกซึ้งมากเลยอะไม่รู้ทำไมเนาะเาแบบจริงใจเออมีบางตรงเราแบบโอ้เราชอบมากเลยอะที่พูดถึงแม่พูดถึงรอยยิ้มของแม่แล้วพวกเนี้ย ที่ว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบเจ๋งดีนะในวันหนึ่งเมื่อผ่านเวลาไปอ่ะประสบการณ์ตรงนี้มันน่าจะแบบทำให้มีอะไรอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะได้ใช้หลายๆอย่างได้อ่ะเราก็ไม่เคยมีโอกาสเราอย่างมากก็แค่เขาชนไก่อะไรเงี้ยนะนี่เขาแบบเขาไปเป็นอาหารจริงๆอ่ะนะเจ็ดเรียนรอดอปะ่ะไม่เรียนแล้วจับใบดาใบแดงแค่ใบดำใแดงฮะเหรอแล้วจับได้ ดำนี่เป็นไม่เป็นไม่เป็นโอ้ดูมันดีเว้ยแล้วต้องแล้วคิดไหมว่าถ้าจับได้แดงจะเป็นไหมเป็นยอมใช่ไหมยอมฝึกก็ตอนจับมันปอตีอพี่มันก็ไม่กี่เดือนอ่ะก็เป็นก็ได้ปอตีนี่ยรงต้องอย่างอย่างคุณโตเนี่ยเขต้องเป็นกี่เดือนหกมาครับก็ถือว่ามันเหมือนแบบถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรปอตีเนี่ยหกแล้วก็ถ้าเป็นวุฒิปวสหรือเปล่าที่มันจะมาต่อปอตีได้อันนั้นจะปีหนึ่งแล้วก็ลดหลั่นไปเรื่อยๆครับอ พ่ยังไม่เคยไปฝึกทหารเลยดิไม่เคยเลยครับรอรอก็ไม่เคยรอไม่ต้องเรียนนะอืมยังสงครามเลยเขาก็นานนะอใช่ไหมสงครามนียเขาก็เป็นยังไม่กลับมาเลยเฮ้ยแต่ว่าเขามานะวันแคทฟูดิวัลมาอืแต่นั้นเขาน่าจะนานกว่าปีนะรู้สึกน่าจะเกินปีแล้วนะที่สงครามไปอยู่ในค่ายเออสงครามก็เขียนมาแล้วเมื่อเราสั่งกระดีมนะเขาออกมาในแคทฟูดเนี่ยออกมาแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ได้ออกไม่รู้เลยนะเหมือนยเขายังเป็นอยู่นะอืม เขายังต้องฝึกอยู่อ่ะอาจจะเป็นวันหยุดอืเสาร์อาทิตย์ได้บ่อยก็ไม่ได้เรียนหรอดอ่ะใชเรียนสิฮะเฮ้ยดูดูหน่วยก้านพี่เหมือนคนไม่เรียนนะฮะเออเรียนสิฮะเป็นบ้านที่สิบตรีนี่5ปีอะครับห้าปีครับเอ๊ะพี่บ่อยเรียนห้าปี3ามปี เราเรียนสามปีก็พอแล้วรู้จะไปเรียนทําอะไรกันห้าปีหปีจะเป็นร้อยม่มีห้าปีได้ไงพวกที่เรียนห้าปีมันก็มีแต่ยังเราแค่สามปีก็พอสามปีนี่คือได้โยชนเป็นร้อยเลยเหรคะว่าที่ออืมีเพื่อนที่โรงเรียนพี่อะมีพวกชอบเขาไปเรียนถึงห้าปีเลยอืป่ะต่อครับพี่บอยค่ะมีแค่นี้ผมเองครับจากมือย้อย พี่ชัยจังหวัดอุตรดิตถนะฮะพี่เต้งเหรอคะ <c oughs> คุณฟังเราอยู่ต่างจังหวัดเยวหมือนกันนะเนี่ยออนี่ก็ชัยนาธนะเมื่อกี้โอ้นี่อุตรดิตถอุตรดิตถหนึ่งนะสวัสดีพวกพี่ขอโทษนะครับสวัสดีพวกพี่จดหมายเด็กแมวนอจบอบคัมแบ็กแล้วค่ะอ๋อโนอ้บอบห <c oughs> <c oughs> ลังจากที่ห่างหายไปนาน ก็ติดเรียนนิดหน่อยช่วงนี้พอดีทางโรงเรียนเขาจะเก็บเกรดเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายแล้ววงเล็บเกรดห้าเทอมเพื่อไปศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่นโรงเรียนของเราจะบอเปิดตั้งแต่วันที่ส6บหพฤษภาคมทุกอย่างปกติทุกอย่างเพื่อนที่ยังปากสุนักก็ยังเป็นคนปากสุนักเหมือนเดิมแก้ไม่หยมแก้ไม่หายเทอมนี้เปิดมาได้หงเดือนแล้วสั่งงานกันได้แบบ เป็นพิมพ์เหมือนแบบบนนะฮะอโอพระพุทธเจ้าสัส่งระลาวเหมือนกลัวฉันจะจบมสามอ๋อนี่น้องเขายัางเรียนอยู่มสามเฮ้อ <c oughs> <c oughs> เอ้ยลืมถามโอน้อง <c oughs> ครับจังหวะเอ้ยลืมถามพวกพี่ๆสบายดีไหมฮะสบายครับครั <c oughs> บ <c oughs> ช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่าตกเลยเมื่อกี้ตกหนักเลยแ<ก>ล้วติดเลยอุตรดิดร้อนมาก วงเล็บแกเล่าเรื่องตัวเองมาจะครึ่งเรื่องละเพิ่งมาถามโทษอืจ้ะไม่เป็นไรค้าดีแล้วนี่พวกพี่พี่เปิดเทอมมาสิวชั้นเดี่ยนะนี่อ๋อนี่พวกพี่พี่ครับเปิดเทอมมาสื่อชั้นลถด้วยแฮะอ้สีใจด้วยครับหน้าเกือบใสอืวงเล็บก็แค่เกือบ เราคิดเร็วทําเร็วนะดูดูเขเป็นคนคิดเร็วทําเร็วนะฮะดูเขเป็นคนความคิดเขาปุ๊บปุมีเรื่องมากมายอยากเล่าให้พวกพี่ๆฟังเยอะเลยเล่าเลเริ่มเลยเนาะเรื่องแรกนอจโบได้เล่นเฟซแล้วยีนอจโบเป็นบุคคลประเภทว่าไม่รู้จากใครก็จะไล่ unfriend แต่พอดีมาสะดุดกับ Facebook บุคคลหนึ่งอื เขาใช้คำว่าสะดุดกับเฟซบุ๊กคนหนึ่งเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคนหนึ่งสำานาอุตตรดีไม่คุ้นหน้าแต่รู้สึกเหมือนรู้จักวงเล็บอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วนะกรณีนี้เหมือนพูดกับตัวเองเขาก็คงเล่าจบแล้วด้วย แบบเขามีเฟซบุ๊กก็มีคนมาขอแอดเขาอะไรอย่างงี้ป่ะแต่พอดีาก็กดอันเฟซอันเฟอันเฟแต่คนนี้นะเขาคุ้นหน้าแต่ไงสดุดกับเฟซบุ๊กคนหนึ่งเฟซบุ๊กแ่เฟซบุ๊กนี่หอยจบละแค่นี้บอกแค่นี้นี่คือจบเรื่องเฟซบุ๊กครับ19พค2017ฉันได้สองเฟซเขาอะตอเนี่ยวะมีอะไรฉันได้สองเฟซเขาแล้วรู้สึกในใจใครวะ ทำไมรู้สึกเหมือนรู้จักกันฮะอืเลยตัดสินใจส่งข้อความไปนี่นี่น้องเพิ่งเล่นไม่ใชอดูน้องใช้มันอย่างรวดเร็วนะใช้มันได้อย่างมีเกลียวอย่างรวดเร็วเหมือนพี่เจดเลยนะทำมาถูกทางพี่ชื่ออะไรอ่ะทําไมไม่เคยเห็นหน้าเลยนึกว่าถามพี่แหมนึกว่าถามพี่แหมพี่ชื่ออะไรอ่ะครับทำไมไม่เคยเห็นหน้าเลยอยู่ห้องอะไรอ่ะมีคือถ้าเป็นคนรู้จักกันก็จะไม่อัน แต่ว่าแต่ถ้าพี่นี่ตอบถ้ามิถ้าตอบมาว่าน้องเป็นใครอะไรแบบนี้ก็จะ อ, อ, อันเฟรนก์ไปบงเล็บมันอาจจะเป็นวิธีที่แปลกนะแต่ทำกับคนนี้คนเดียวนัน ะ, นะคนอื่นอันหมดเลยต้องอนนหลอ <นะ S 2> <ๆ>่อแน่เลยคนเนี้จะหลอ่อหน้าจ้าพี่แกก็ตอบอพี่ชื่อมนเทียน นี่จริงๆอ่ะเ<บ>ก้ากำเนิดเลยเนาะ <c oughs> พี่ชื่อจุดจุดจุดอยู่ห้องจุดจุดจุดทับสามครับอืมอืมไ อ, มอเราก็นึกไม่ออกแล้วด้วยความที่ว่าเป็นคนคิดอะไรก็พูดออกไปก็เลยไม่กั่นกรองความคิดอะไรใดๆทั้งสิน้นนี่น้อรู้ตัวเป็นคนคิดอะไรก็พูดโ อ, นอเนาะเขาก็รู้นี่เอออเป็นคนแบบนั้นน้องคิดอะไรก็พูดใช่จึงเสลอส่งไปหาว่า ไม่คุ้นหน้าเลยวันจันรขอเจอหน่อยโอ้ยร้ายกวัยบูมอีกนะโอ้โหเด็กมสามบูมนี่ล้ายกวัยบูมอีกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่คุ้นหน้าเลยเดี๋ยววันจันทร์ขอเจอหน่อยเจ๋งว่ะอาจจะดูไรโน่นะฮแต่ก็เถอะเจ๋งว่ะแต่ก็เถอะอย่างนี้อืพี่แกก็ตอบเราได้ล่างหงายเงือบมากไม่เคยเจอหน้า นัดเจออันตรายนะมีระวังระวังฝ่ายชายต้องระวังระวังเดี๋ยวนี้โลคอ่าก็ถูกของพี่แกนะแต่ไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากจะ unfriend แหมให้เราก็บอกอย่าเข้าใจผิดไม่ได้ทักมาจีบสัหน่อยแต่พี่แกก็ไล่เราไปทำอะไรก็ทำพี่แกจะไปกรอกน้ำ เขเลี้ยงไก่เลยเเลี้ยงไก่ชนเลย่ะกอกน้ําไม่เป็นเหตุผลที่ผมไม่เคยที่มานานะนะฮะบอ้เดี๋ยวพี่ไม่ค่อยว่างว่ะที่ขอกอกน้ําก่อนเขาทำมาที่ไหนครับคนที่กอกน้านี่เขาทำอะไรกอกน้ําให้อาจารย์เลยว่ะอลึกอยู่วัดอาจจะเทใส่เดอดที่คนตาบให้หลวงตาเงี้ยเหรอตอนเด็กผมอยากได้คะแนนฟิสิกส์ดีผมไปกอกน้ําให้อาจารย์อ๋อนนี้ก็จะคล้ายๆพี่บู๋กอกน้ําให้อาจารย์กอกน้ํา แล้วก็จบบทสนทนาไปประมาณ4ี่ทุ่มพี่แกก็ส่งมาอีกนะว่าง่วงอะ่ะอันนี้มันมีฟีดแบ็กอ้าวอะไรเนี่ยสนุกว่ะเรื่องมันไม่น่าสนุกเลยฟนะังแลม่สนุกไม่รู้จบไมเรื่องมันไม่มีอะไรนละยีอะไรจะมาดูสนุกเราชอบยุ่งเรื่องคนอื่นไม่รู้ทำไ ม, มแต่ไม่นมสนุก เ, เรื่องคนอื่น อ้าวอะไรเนี่ยวงเล็บตอนนั้นจะไม่ได้ว่าทำไมไม่อ่านเฟรนไปเลยฮ่าฮ่หฮาแล้วไงเราก็ตอบว่าก็นอนดิฉันยังไม่ได้อาบน้ำแล้วพี่แกก็ส่งข้อความมาขอโทษที่ส่งข้อความทานองไล่เราเราก็ตอบไปว่าไม่ได้โกรธความจริงเออโกรดดิฮ่าฮ่า้องเขาแบบอืม สรุปก็คุยกันมาตลอดเลยฮะวันจันที่ได้ขอเจอพี่แกก็เจอเอามาเจอกันด้วยพี่แกบอกจะรอฉันอยู่ที่โรงอาหารนี่มงเล็บพี่แกน่ารักมากตอนที่เจอออกแนวเด็กเรียน อ, อันนี้เป็นมงเล็บอื เหมือนมาเขียนที่หลังด้วยเป็นสีปากกาไม่เหมือนกันอเพิ่มเพิ่มข้อมูลยี่บสองพคอ้าวเราไม่เล่าหน่อยเหรอว่าเจอกันแล้วยังไงไม่มีจบตัดจบแค่นี้มันเหมือนหนังครับอืเปลี่ยนฉากสิบห้าจุดห้าศูนย์โดยประมาณเราก็ไปรอแกที่โรงอาหารอ๋อยังไม่ยังไม่ได้เจออ๋อนัดกันวันนัดแล้วมาแล้วไม่มาใส่วงเล็บว่าน่ารักมากตอนที่เจอใส่บิ๊ี่ ไอพิตี้นี่มีเลตสปอยนนะเลตสไปร์ไอพิตี้เนี่ยคือนึกว่าตรงนั้นคือที่เราเขียนถึงตอนเจอไม่ใช่เนาะไอพิตี้เราไปรอแกที่โรงอาหารพี่แกไม่กล้าเดินมาหาเราอะเราเลยบอกอยู่ไหนตะโกนขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอไม่รู้เราเลยบอกอยู่ไหนเงี้ยพี่แกเลยตอบไม่กล้าเจอแกเขินแกอ๋อคงคุยทางอินบ็อกคุยทางอินบล็อกคุยใยโทรศัพท์เงี้ยไอเราก็ เขิดไร่วะฮ่าฮผลสรุปวันนั้นเราก็ได้เจอกันแหละพี่แกบอกเราน่ารักขึ้นวงเล็บพี่แกเห็นเราบ่อยเห็นได้ไงวะเออช่างมันเถอะ แต่น้องนอเจาะบ่อนี้ดูเขาหน้าหลักนะเพราะว่าเรื่องที่เขาเคยเล่ามาใช่ไหมที่เป็นลำหน้าม้ามีงานานบวชอะไรใช่ไหมที่มีร้านขายของใช่ไหมดูเขาไม่มีคนมาแอลที่มีร้านขายของมีคนมาแวะมีอะไรเงี้ยเขาท่าทางแบบที่คนนั้นมาเต้นนะเออและที่เราก็ไปเต้นกับเขาเอยจำได้ ดูท่าทางไม่ธรรมด า, ดานะเนี่ยน้อง <c oughs> แล้วเราก็คุยกันมาตลอดมีอะไรก็คุยกันคุยกันทุกเรื่องจนวันศุกร์ที่ยี่สิบหกเราจะนัดเจอกันทุกวันตอนเย็นหลังเลิกเรียนอยู่ทํากันบ้านสิบห้านาทีสิบห้าทีงกอพอเป็นวิธีดูพอเป็นวิธีมากมันทําเสร็จเร็วงั้นเหรอแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกับบ้านกันอ๋อนัดมาเจอกันอืหรือว่ามันเป็นวิธีเขียนเนาะไอ้แบบนี้มันเหมือน เนี่ยมายี่สบหกพคเหมือนกำลังจะเล่าเรื่องวันที่ยี่สิบหกแต่อที่พูดเมื่อกี้มันเหมือนเป็ น, ปนอีกวันหนึ่งเนี้ยหรอเหมือนเล่าเล่าสรุปไปแล้วอะ่ะอืมอืออแต่ว่าเพิ่งมาเขียนยี่สบหกอ๋อมาสรุปวันที่ที่หลังหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเรานั่งคุยกันที่เดิมแต่ไม่มีอะไรผิดปกติเพียงแต่จะมีรุ่นพี่หลายๆ ห, ห้องมาหลบฝนที่โรง า, าร วันนั้นจึงเป็นวันที่คนมาอยู่โรงหารเยอะเป็นพิเศษอืมจึงมีคนเห็นว่าเราสองคนนั่งคุยกั น, น, นพอกลับบ้านพี่แกก็ส่งข้อความมาแยราว่าเลตติ้งพี่ตกแน่เพราะเห็นมานั่งกับคนแบบเราอ้ารมณ์ตอนนั้นเราไม่โอเคอืเราเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราแค่คุยกันในเฟซบุ๊กนี่แหละไม่ต้องอ ม, มาเจอกันดีมากพี่แกก็ขอโทษแต่เราไม่โอเคจริงๆ เรากะไว้ว่าตอนนั้นเราจะไม่คุยด้วยแล้วพี่แกก็งอ้อเราสุดพลังง้อมามากส่งข้อความมาหลายครั้งจนพี่แกส่งมาว่าเธอรู้ไหมเมื่อพระวะัาิเมื่อประมาณช่วงนี้ของปีที่แล้วอ่ะเราชอบเธอนะเฮ้ยแล้วเราก็ชอบเธอมาตลอดอะไม่เคยคิดเลยอะว่าฉันกับเธอจะคุยกันแบบนี้ <S <S เราก็โทษนะที่ส่งไปว่าแบบนี้ เราแค่แย่เธอเล่นอ่ะนี่พี่หรืออาจารย์เสียงผมบอกว่าพี่คนนี้แอบมองมาเป็นปีเนอะแต่ว่าแอบมองมาปีอีกแล้วอืออะไรทำนองนี้อืเฮ้ยคืออึ้งออืเราเลยเลือกที่จะลองคุยต่อหายโกรธง่ายไว้เลยอีกนานไหมพี่บอยสี่ทุ่มแล้วไม่เป็นไรอ่านไปเถอะอ่าไปเถอะถางั้นแค่นี้เรื่องเดียวเออหายโกรธง่ายเนะอะ ที่บอยถาไม่เจอเนี่ยละสายตามาไม่ถึงสองวิเราเลยเลือกที่จะลองคุยต่อโดยการที่บอกไปว่าแล้วทำไมไม่ทักมาคุยอ่ะเออแกก็มีเฟซฉันไม่ใช่เหรอได้เลพี่แกก็ตอบมาว่าเออตอนนั้นเราไม่มีอะไรเลยเราเป็นแค่เด็กห้องสุดท้ายธรรมดาแค่อยู่ในห้องเพื่อนยังไม่ค่อยจะเห็นหัวเลยฮ่ฮ่าาแล้วเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกติอ๋อ แล้ววันนั้นพี่แกก็ขอให้เราเป็นแฟนพี่แกเลยนี่แหละเฮ้ยหยแต่เราบอกว่ายังก่อนยังไม่พร้อมออื mm hmm. ยังไม่แน่ใจอ mm hmm. แต่ก็ยังคุยกันอยู่ออื mm hmm. พี่แกก็คอยมาส่งจดหมายมาง้อบ้างอะไรบ้างมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาพยายามเพื่อเราดีฮะเพราะเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอใครที่คุยแล้วเขาทุ่มเทเพื่อเราขนาดนี้ว่ะอื mm hmm. คือคุยด้วยใจล้วนๆไม่มีอะไรเลยอะ่ะ เราค่อนข้างโอเคแหละพี่แกก็รอเราได้คือทำให้รู้ว่ายิ่งคุยยิ่งมีความสุขสามสิบพอคอนี่คือผ่านมาสี่วัน เป็นวันที่ฉันโกรธมากทำไมพราะมีผู้หญิงมาอ่อยพี่เขาพี่เขาไม่ได้ควักของน้องนี่มีขันเร็วนะมีเฟซบุ๊คไม่ปถึงอาทิตย์นะมีแฟนแป๊บเดียวมันโอ้ยพี่เขาก็ไม่ได้เล่นด้วยอะไรแต่ฉันรู้สึกโมโหอ่ะที่ทำอะไรไม่ได้ฉันเลยมีอารมณ์ชั่วบูบมั้งเลยบอกไปว่าพร้อมแล้วพี่แกก็เลยคบกับฉันวันนั้น ตกใจวแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงจังนะคนเนี้ยจความสัมพันธ์ของเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆมีการละ ก, กันจนตอนนี้นับมาตั้งแต่สามสิบพอคอจนถึงวันนี้เราก็คบกันเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วฮ่าๆจดหมายค่าคนโสดรู้ตัวคือเรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่าฉันมัน มัวมองแต่คนไกลจนไม่ได้สนใจว่ามีคนใกล้ๆตัวที่เฝ้ามองเราอยู่ถึงโกะวงเล็บโกะน่าจะฟังลีลันขอบคุณแกมากๆนะถึงโกะถึงโกะขึ้นมาอออ๋อโกะคืออีกคนนึงเขาตกใจขอบคุณที่ทําให้มีความสุขมากขนาดนี้นะแกอ้าวคือคนนี้ละมั้งคือโกะก็ฟังรายการเราชื่อโกะมั้งแล้วเขาพี่บอลขออีกทีขอต้องถึงโกะอีกทีฮะถึงโกะอืม โกะน่าจะฟังรีรันวงเล็บอืขอบคุณแกมากๆากนะขอบคุณที่ทําให้มีความสุขมากขนาดนี้นะแกใช่ละละไอโกงแฟนชื่อืกะทาโกอือยากิทาโกะนี่ปลาหมึกไอบุ้มอ๋อบอลลอนหนึ่งบอลลานหนึ่งปากกาไม่ค่อยสวยเอ้ยไม่ใช่ปากกาไม่ค่อยจะออกบรรทบไม่ได้ด่าเราไม่บอยด่าปากกาแต่เขาด่าให้เราฟังเลยนั่นเองฮะ อ่านออกไหมคะอ่ออกค่ะจบแล้ววะน้องถามต้องจบพอดีปอร้อสองครับคิดถึงพวกพี่มากครับปอล้อสามจดหมายค่าคอนโซลปอร้อสี่ันดีนะพูดกับเราปะนั่นแหละสิน่าจะโกะแหละเราเล่าไปไหมฟันดีอะน่าจะบอกโกะเนาะปอล้อือจากจดหมายฉบับที่แล้วที่ถามว่า ฟังยังไงฟังรีลันจ้าอ๋อที่บอกว่าน้องเขากลางคืนเขานั่นใช่ไหมจากน้องนอจอบอครับโอยยินดีด้วยเนาะก็สรุปในตัวนะก็ดูน้องเขาเขียนมาข้าคนโสนจริงๆแหละดูแล้วท่าทางดีนะมีแฟนเราก็ไม่ลืมเรามาเล่าให้เราฟังด้วยสนุกด้วย โกเขียนฉบายมาบ้างนี่โกอยากฟังฝั่งโกเอเราเป็นคนที่อยากรู้เรื่องชาวบ้านใช่ไม่ใช่เราไม่ได้อยากรู้พี่บูมนี่เราทำรายการเราก็ต้องแบบเอามเรื่องมาแชร์กันใช่เราไม่ได้อยากรู้เรื่องของน้องเขาเลยแต่ว่าเป็นรายการจดหมายไงก็ต้องมีจดหมายส่งมาแล้วก็ดีใจใช่มเราได้ฟังของนอจบอแล้วเราฟังฝั่งโกบ้างนะบรรยายให้เรารู้หน่อยว่าเป็นยังไงหมดหมด <c oughs> เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะเล่นเกมแคดไรเดียลโอโกเจแปนกันนะครับจะ บ, บอกว่าไม่เยอะมากครับใครที่แบบคิดว่าไม่ทันแล้วเนี่ยอย่าประมาทเลยเนี่ยโทรทีเดียจะได้เลยก็ได้ 2,860 ไม่นะใครจะไปรู้ <ฮะ S 2> ติดตามครับพักแป๊บหนึ่ง พลันมาจากหัวใจขอให้เธอโปรดฟังนะคนดี ในหลวงของฉันในหลวงของกรีซี่คาเฟ่ในหลวงในความทรงจำของเราเป็นเราขอใช้คำชาวบ้านชาวบ้านละกันเราจะก็เป็นเหมือนคนที่ทำงานหนักมากๆเพื่อส่วนรวมแล้วก็เป็นพระราชาที่ทำตัวสามัญมากๆครับ มีแฟนแล้วเสียใจอยากเจอคนดีต่อใจต้องแฟนสเตอร์แฟนสเตอร์แอปพลิเคชันรวมคนดังทุกวงการเพลงดาวน์โหลดเลยวันนี้ที่ a อป Store และ o o เกิลเพลย์ผลรางวัลอยู่ในซองนี้รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ thisiscat.com ซองผิดปะเนี่ย thisiscat.com ไรอะ่ะซองถูกแล้ว ถูกทุกซองดีทุกซองพบอีกพันพันซองที่ถูกใจเพลงดีร้องตามได้และเพลงใหม่ไลฟ์สดที่ www. thisiscat. com ฟังผ่าน Facebook Search thisiscat radio หรือฟังผ่านแอป cat radio ได้ทั้ง iOS และ Android cat radio เพลงฟังดีไม่มีผิดซองแฟนสเตอร์แอปสำหรับแฟนตัวจริงรวมคนดังทุกวงการ จดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่สองครับคุณผู้ฟังครับมีขนมฮะใช่มีคุณเมย์เนาะบอกว่าเอาขนมมาฝากนะจากน้องใหม่และคุณเมย์นะขอบคุณมากเลยอันนี้พี่บอยโชว์การกินอันนี้ถือว่าเป็นการสาธิตไม่ได้เป็นการกินในห้องอัดไม่เป็นไรใช่ไห้พี่กิ่งเราต้องรเทสเราเทสเทสเป็นไงวะฮะโออร่อยมากเลยะครับน้องใหม่กับน้องเมย์เป็นขนมอะไรฮะพี่บอย เบเปอร์ฮเต็ม ป, ปากเลยนะฮะแอปแฟนสเตอร์นะครับที่หลายๆคนคงโหลดไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าใครยังที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชนันนี้นะเราก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาโหลดแอปแฟนสเตอร์ไปใชใ้กันนะครับจะเป็นแอปที่สามารถเชื่อมโลกระหว่างศรริลปินและแฟนเพลงเข้าไว้ด้วยกันอย่าง ใ, น ใ, นในกล้ชิดที่สำคัญที่สุดเนี่ยข้อพิเศษที่สุดของแฟนเตอร์นี่ก็คือจะมี เกมต่างๆให้เล่นแร่ของรางวัลนะเป็นของรางวัลพิเศษพิเศษทั้งนั้นเลยถ้าใครที่ไปคัตฟูดดิวเวเนี่ยโอ้โหแต่ละเกมนี่ผมว่าถ้าเป็นแฟนเพลงเนี่ยนะคงแบบปลิ้นสุกอ่ะอืมีพี่บอยไต่แต่งเพลงให้คุณคนเดียวอ่าเป็นเพลงประจําตัวเลยชื่อน้องนิชาพามังที่ชนะอพี่บอยก็เป็นแต่งเพลงนิชาพาให้เลยบอยไต่หรือบอยโก้บอยไต่ค่ะนะฮะอ๋อไม่ได้เห็นเอากีตาร์มาวันนั้นคุณตั้มเล่นกีตาร์แพี่บอยก็แต่งเพลงให้เดี๋ยวนั้นเลยทสดเลยแต่งสด หูยตอนี้เราอัพเลเวลเป็นขนาดนี้เลยเหรอพี่บอยโดนบังคับมาแล้วใชเตรียมกันเลยนะโห้ยแต่งเป็นโทรศัพได้แล้วฮะ หรือว่าอาหารทุกร้านในงานเราก็แจกไปแล้วนี่เราจะแจกโบเตอร์ในห้องจัดงานด้วยตรงคนที่ได้อาหารทุกร้านในงานนั้นเป็นใครอะชื่อน้องเปิลค่ะอยู่ขอนแก่นเป็นแฟนรายการเรานี่แหละอือโหโชคดีมากๆเลยนะค่ะเพราะว่ามีการเฉือนได้พี่เปิลได้พี่เปิลขอนแก่นอืะผมจําได้ว่ามีการเฉือนกัน่ะกับแฟนรายการเราหลายคนน้องเปิลก็คือที่ได้มากินมากินข้าวกับพี่ด้วยอะอ๋อคือี่ที่หนึ่งค่ะ บุ้มมีกลัวเอเตี้ยวได้อยู่เลย่แล้วยังม่เห็นมีไปกับแนพารีนใช่ไหมวันนั้นมีแมพารีนน้องทอยมาสอนแรปอออะไรอย่างนี้ก็จะมีหลายหลายมิชั่นเลยที่เล่นในวันวันงานเลยอืเราจะมีเกมพิเศษแบบพิเศษแบบนี้นะเร่ให้ทุกทุกคนได้เข้าไปดูเข้ามาเล่นกันนะเพราะว่าทุกๆที่เล่นครั้งที่เล่นเกมหรือว่าทําภารกิจเนี่ยจะได้รับคอนฮะแล้วก็ exp ก็สะสมทั้งเหรียญและ E.X.P. นี้เอาไว้นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลพิเศษพิเศษตลอดเวลาเพื่อให้ทุกๆคนได้เล่นกันนะครับโหลดมาเดี๋ยวนี้เลยนะฮะตอนนี้โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android ครับต่อไปเราจะเล่นเกมแค t e r อ o ีโ j โกะแปครับโทรมาเลยฮะศูนย์สองห้าสามศูนย์าหกหนึ่งบอกเลยว่าไม่เยอะหม่เยอะอันนี้น <ะ S 2> บางบางทีโทรมาครั้งนี้อาจจะทันเลยก็ได้สองพันแป้หกสิบไม่มไม่อยากบอกเลยนะมอยากบอกเลยใครที่ยังไม่เคยเล่นนะโทรมาเถอะมา 025309611นะคะโทรมาเลยครับตอนนี้พี่เจตรอรับสายอยู่ครับเงียบเฮ้ยไม่มีคนโทรมาเลยเหรอเปิด<า>เพลงสักเพลงไปญี่ปุ่นเนี่ยนะ ไ, นดนได้ช็อกวงการสองผลิตอกประกาศเป็นแฟนเล็กกรีซี่บอยไตรไม่เกรงใจลูกประกาศล่อนขอเป็นแฟนจูนจูนบอยโกศลยพง์ยอมรับมีแฟนเยอะแถมมีแฟนมาแล้วทุกเพศยุคนี้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 แฟนสเตอร์แอปพลิเคชันรวรวมคนดังทุกวงการเพลงดาวน์โหลดเลยวันนี้ที่ App Store และ Google Play กับช่วงเวลา เพลเซนต์แคทท์รัจโสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ HONDA HONDA s c สกูบิ่ไอใหม่เพราะครั้งแรกมีความหมายเสมอและสายการบินไทย Air Asia ชเราได้สายแล้วนะครับกลับคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามานะอ่ะพี่เจ็ดปล่อยสายเข้ามาเลยฮะสวัสดีครับ น้องอะไรนะจ๊ะเธอค่ะสายล่เอทอทองอ่างเธอกับฉันนะคะน้องเธอโอ้โหชื่อเจ๋งเนาะว่าไงเธออือจ้าแล้วฉันล่ะมีเธอและมีฉันหรือเปล่ามีค่ะมีฉันค่ะฉันชื่อพี่สาวค่ะฮะโอ้ยเท่่ากฉันเธอเหรอเธอกับฉันแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่โรแมนติกมากมากนะสิอันน้าอือแล้วมีคนที่สามไหมเป็นเธอเป็นคนแรกคนที่มันจะเป็นคนที่หนึ่งชื่อฉันคนที่สองชื่อเชิง เชิงคือไม่ฉันก็เธอเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่สามคือเธอค่ะยังไงนะฉันเชิงเธอฉันเชิงเธอเชิงฉันเชิงเธอ ใ, ใช่ค่ะอืมดีนะมีฉันนะถ้าไม่มีหิวแย่เลย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> บางทีก็เงียบ <c oughs> นี่คือคุณไตรภูมิรัตน์ฮะน้อง <c oughs> เธอพี่จะขอแนะนำให้รู้จักไหว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เธอมีกี่ไมล์แล้วครับสองพันแล้วค่ะโอ้โหใกล้แล้วนะ จะเกินไปไหมนะคะอยากจะตอบถูกแต่เราเอาเกินถ้าเกินเนี่ยก็คือเกินก็ไม่เป็นไรให้ใกล้สองพันแปดหสิบไว้ตอนตอนแรกเกินแค่เกินไกลจะจะไม่จะจะลบแต่ว่าไม่เป็นไรนี่ก็เอาถือเอาใกล้สองพันแปดหกสิบนะใช่ค่ะไม่ว่าจะต่ําไปหรือว่าเกินไปเนี่ยนะเราเลทนี้ห้าสิบคนบูมก็บอกเลยดีว่าถ้าน้องเขาเล่นแล้วจะได้ยังไงได้อะไรได้เท่าไหร่โอ๊ยต้องตอบคําถามให้ถูกก่อนอืถูกก็เดี๋ยวให้เลือก กันไปงั้นเรามาดูคำถามนะครับวันนี้ไม่มีชิ้นงานนะครับเราถามกันเลยเธอเป็นคนชอบชมภาพยนตร์ไหมครับชอบคะอ่ะงั้นไม่น่าจะยากนะครับคำถามของช่วงนี้ก็คือข้อใดข้อใดไม่ใช่ภาพยนตร์ญี่ปุ่นโอเคค่ะ 1> 1. Go, หนึ่ง Let's go จสองพอรก์ส s, 2. <S, 2> <laughs> <S h เฮอริมาโจ สี่คิเซกิผมว่าพี่อ่านงงปกติดีวะ <c oughs> พี่อ่นปกติดีว่า <c oughs> นี่ก็ต้องเป็นการเตรียมตัวสำหรับน้องเ็าจะต้องไปญี่ปุ่นออก็ต้องฟังภาษาญี่ปุ่นไงง่ายๆเล t โกเจตพาร์คฮาชิม m โปรเจกต์หรือคิเซกิหนึ่งเลตโกเจตสองาสามฮาชิมะโปรเจกต์และสี่คิเซกิอา่าถ้าชอบดูหนังตอบได้แน่นอนครับ ตอกติกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกอกตอกตอกตอกตอกตอกตกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตออกอกตอกตออกตอกตกตอกตอกกตอกตอกกตอกตตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตตโกตอกเนีตอกตอกตอกอกตอกตออตอกตอกตอตอออตกกตออตอ คำตอบที่ถูกต้องตอบว่าฮาชิมะโปรเจกต์ครับฮาชิมะโปรเจกต์เป็นหนังไทยเนี่ยะเป็นภาพยนตร์เสี่ยงขวัญสัญชาติไทยเข้าฉายเมื่อ31ตุลาคม2556ครับขอแสดงความเสียใจด้วย อ, อแต่2000ไม่ก็เยอะแล้วเนี่ยได้ได้เข้ารอบแหละหรือจะลองเล่นแผ่นป้ายเล่นเล่นได้ค่ะนะ<ด>ลองเลือกดูถ้าเล่นเราให้นะ ลองเล to ือกดูไงเธอจะได้ช <the ้ำใจเล่นๆไงจ้ะอือลองเลือกแผ่นป้ายเล่นๆนะระหว่าง Honda All New s c o o ป y i ไและไท a i Air เ s i a X จะเลือกแผ่นป้ายไหนครับ Thai อ i r Asia X อ่าลองเปิดดูว่าไทย i Air a s i ช X ได้กี่ไหมแผ่นป้ายไทยแ a i ์เอเชีคุณได้ 1,200 งมัอยใโอยเกินเยอะ ถ้าตอบถูกในแปลว่าเกิน<า>เยอะไงจะกลายเป็น 3,200 นะ<า>ใช่ไหม<า>มันจะเกินไปเยอะเนี่ยโชคดีเหมือนกันนะจะว่าไปอ่ะเดี๋ยวมาฟัง Honda All New s c o p y I รุ่นเพสติดนะว่ากี่หมายแทนป้าย Honda All New s c o p y I คุณได้8 0ดร้อยม่เนี่ยถ้าเลือก Honda ถ้าตอบถูกนะแล้วเลือก Honda All New s c o p y I นะก็จะเป็น 2,800 ก็จะใกล้มาก จะบอกว่ามันมีบางช่วงเนี่ยใส่ไม่ไปสองพันแปด้อยหกสิบด้วยคือหมายถึงว่าถ้าเลือกถูกอะเปิดมาเจอเลยได้เลยครั้งเดียวแต่นั้นก็ต้องเป็นคนที่ยังไม่เคยเล่นใช่เดมลองลองดูเพราะถ้าเกิดเคยเล่นไปเยอะแล้วมันจะเกินมหาศาลมันจะเกินเยอะไปลองลองลองดูอะคนที่ไม่เคยเล่นนะลองลองก็ได้นะคะอืเพราะฉะนั้นน้องเธอนะพยายามต่อไปพี่บอยให้กําลังใจน้องเธอเลยฮะกโทรมาอีกสิฮะ นี่ผให้กำลังใจเข้ามาอีกบ่อยๆครับแ่ม่นะจ๊ะด้วยชอน้องชื่นใจใช่ครับคุณค่ะอย่างนี้เลยครับช่วงนี้ชื่นใจเริ่มแซงคุณพ่อชินละขอบคุณมากนะจ๊ะเธอขอบคุณนะคะจะาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าที่พี่บูมบอกเมื่อกี้นี่คือว่าถ้าหลายๆคนตอนนี้แบบ กลัวไงใช่ไหมว่าจะตามไม่ทันเลยไม่เล่นอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงโทรมาบางทีเลือกแผ่นป้ายเนี่ยได้ไมค์ได้ไมค์ถึงเลยสมมุติว่าบางคนเนี่ยยังไม่เคยมีไมค์เลยโทรมาครั้งนึงอาจจะได้ไปสัมภาษณ์เลยก็ได้ใช่มใช่ะบางคนกลัวว่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วสะสมไม่ทันเพราะฉะนั้นโทรมาเถอะจริงๆแล้วนะร่วมกันเล่นสนุกใช่สัมภาษณ์เนี่ยก็เกี่ยวกับดวงเหมือนกันห้าสิบคนที่จะได้เข้ารอบสุดท้ายใช่ค่ะมันจะมีเกมให้เล่นด้วยปีนี้ค่ะ ต้องข อ, ขอบคุณรถจักรยานยนต์ HONDA ให้อ l l ิว w Honda ส c o o ี y ไอใหม่ร่วมสร้างเส้นทางครั้งแรกไปกับคุณและต้องขอบคุณสายการบินไทย a อ r a เ i a X ด้วยครับบรึมบลึมฮอ n ด้าพรีเซนต์แคทท a ัจย์โอโง่ญีสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ h o n d a ให้ออนิวฮอนดา้าส co บี้ไอใหม่ร่วมสร้างเส้นทางครั้งแรกไปกับคุณและสายการบินไทย Air a เ i a X สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22่สนาฬิกา30นาทีศูนย์วินาทีนี่ดึกดื่นป่านี้ยังมานั่งฟังวิทยุอยู่อีกเหรอฟังจบแล้วสัญญาณนะว่าจะปิดข้างนอกนั่นนะยังมีอะไรอีกเยอะถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรสิ่ง bring it on เบียเป็นเหตุก่อมะเร็งได้ 2,860 ยไมล์คือระยะห่างระหว่างผมกับมิยาบิ U R O E I Hashimoto A K B โฟร์ีเอบางทีเร็วๆนี้ผมอาจจะได้ใกล้พวกเธอมากขึ้นได้ยืนบนพื้นดินเดียวกันกับเธอบรึ Honda Present แคทต์รัจย์โอโง่ปนเที่ยวจิบลิตสตูดิโอโตโตโรโฟอเรสฮอนด้าคอลเลกชันฮอลดูดนตรีสดที่ชิโมกิตาสวาวะแช่ออนเซ็นริมทะเลขี่จักรยานชมดอกไม้ที่ฮิตาชิ4สายปากและครั้งหนึ่งในชีวิตกับเทศกาลดนตรีระดับโลกซัมเมอรโ์โซนิร่วมเป็นนายแบบนางแบบให้2ตากล้องดีเจกันและไมเคลิลร่วมสนุกตอบคาถามสะสมม้ทุกช่วงดีเจลุนบินฟรีที่0 2นย์สอ1สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าให้อ Honda นียวฮอนด้าส สร้างเส้นทางครั้งแรกไปกับคุณและสายการบินไทย a i r a e s i a ชมีแฟนแล้วต้องมีเวลาให้ว่างพอไหมลองโหลดแฟนสเตอร์แฟนสเตอร์แอปพลิเคชันรวมคนดังทุกวงการเพลงดาวน์โหลดเลยวันนี้ที่ a อ p Store และ Google Play จดหมายเด็กแมว จดไม้เด็กแมวครับพี่คมสันขี่จักรยานเป็นไหมคะเป็นสิพี่ต้องไปขี่จักรยานชมสวนดอกไม้ที่ฮิตาชิสีไซปาร์กนะคะอุ๊ยเหรอใช่ค่ะขี่จักรยานแบบมีคนซ้อนเปล่าพี่ชอบซ้อนไหมคะพี่ไม่แน่ใจว่าถ้ามีคนซ้อนไี่จะขี่ได้ได้หรือได้ให้กันซ้อนพี่นะเฮ้ยไม่เอาการไปซ้อนเครนนอน เอาพี่จ่องตอนพี่ได้ปะไม่แน่ใจฮะอต้องไปขี่จักรยานชมวิวใช่ไหมเอาไว้เนี่ยมันเดินไกลก็มีจักรยานให้คนละคันเนี่ยมันนี้ขี่นานมากต้องมีภาพแบบนี้มาใส่ยูกาตะออนเซ็นริมทะเลเดี๋ยวใสยูกาตะขี่จักรยานได้เหรอไม่ๆมจะเชื่อเวฟเชื่อว่าะ ใครอยากดูพี่คำคมสันออนเซนนะคะก็ต้องเล่น Cat Radio Japan. คัตเรโดโกเจแปอคุ้มฮะคุม้มบางทีนะเราเห็นเขาเราเห็นครั้งเดียวนะเราจะเป็นภาพจำต่อชีวิตพี่สั่งตัดชุดมนุษย์กบแล้ว <laughs> ชุดแนบเนื้อ <laughs> <laughs> ต่อจดหมายครับรายการเราเป็นรายการต่อจดหมายครับ <laughs> ไม่บอกว่ามาจากที่ไหนนะอ๋อเห็นแล้วสวัสดีค่ะพี่พี่ทีมงานจดหมายเด็กแมวและเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนชาวอีเทอร์ทุกคน ห่างหายไปนานหลายเดือนมากค่ะสำหรับการเขียนจดหมายคือจริงๆก็นึกเรื่องที่จะเขียนไม่ออกค่ะก็เลยไม่ได้เขียนมาคิดถึงพี่ๆและเพื่อนๆทุกคนนะคะจดหมายฉบับนี้ก็น่าจะเป็นฉบับที่6แล้วไหมไม่แน่ใจค่ะฮ้าห้ห้าฉบับนี้ก็จะมาเล่าเรื่องติ่งเหมือนเดิมค่ะเพราะไม่รู้จะเขียนอะไรในย4สีชั่วโมงหมดเวลาไปกับการติ่งเยอะค่ะจนกลายเป็นกิจวัตรไปแล้ว โดยเรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความช้ำใจในอนาคตของติ่งค่ะจากที่หนูติ่งเล่นๆ น, นี่ก็าปาเข้าไปสองปกีกว่าแล้วค่ะดูเหมือนการติ่งจะจริงจังขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นอยากไปคอนที่ญี่ปุ่นเกาหลีและทุกประเทศที่ก o อดซวไปทัวร์พอพูดอย่างนี้ก็รู้เลยนะว่าเป็นจดหมายของน้องติ่งโคโค่มาของกซเวนนั่นเอง สมัยก่อนเรายังอ่าน GOT7 อยู่เลยนะ <c oughs> ฉ, นฉนบับแรกของน้องเขาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าต้องอ่าน GOT7 เพราะหนูได้ยินมาว่าโชว์ที่ญี่ปุ่นราคาบัตรไม่แพงมากและราคาเท่ากันทุกที่นั่งส่วนที่นั่งดีๆก็ขึ้นอยู่กับดวงค่ะเพราะที่นั่งเป็นแบบสุ่มจากที่หนูเขียนไว้ในจดหมายฉบับแรกว่าหนูไม่ได้ติดตามพวกเขาเพราะผลงานไม่ใช่เพราะพวกเขาแสดงดีหรือแต่งเพลงเพราะ แต่หนูรักในความพยายามของเด็กๆและความสัมพันธ์ในวงของพวกเขาวงเล็บปอล่อแต่เพราะความรักเลยทำให้ได้ฟังเพลงกัสวงเล็บขอเรียกแทนก็อเซเว่นว่ากัสนะคะจากที่ไม่ค่อยชอบจนหลอนหูและกลายเป็นชอบได้555ในกัสจะมีการจับคู่ในวงทั้งหมด21คู่หูย<ฮ>หนูเองก็ชอบทุกคู่ แต่สายตาที่มองเวลาแต่ละคู่อยู่ด้วยกันจะแตกต่างกันไปเช่นอย่างตัวหนูชอบคู่แจ็คสันกับยองแจถ้าแจ็คสันไปอยู่กับคนอื่นในวงก็ไม่สีเรียดและจะมองเป็นเหมือนพี่น้องกันไปคู่ไหนที่เราชิปเราจะมองพวกเขาเหมือนเป็นแฟนกันแล้วก็จะเขินค่ะแล้วก็หน้าตายิ้มมานะครับตอนแรกที่มาติ่งศิลปินเกาหลีก็คิดนะคะว่า ตัวเมนถ้าเมนเราหรือคนในวงมีแฟนหรือแต่งงานไปเราต้องเสียใจแน่แพอมาติ่งจริงๆก็พอรู้มาบ้างว่าก็พอรู้มาบ้างว่าอายุประมาณนี้ต้องมีคนคุยคุยบ้างหรืออาจจะมีแฟนแล้วก็ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติถ้ามีจริงๆเราก็ไม่รู้สึกเสียใจเท่าไหร่คะ่ะแต่จะมีความรู้สึกอยากรู้มากกว่าว่าแต่จะมีความรู้สึกอยากรู้มากกว่าว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงดูแลคนของเราดีไหม ภาวนาในใจว่าขอให้ช่วยดูแลดวงใจของเราให้ดีด้ว ย, ยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเขาเลือกแล้วก็เขารับการตัดสินใจของเขาไม่เข้าไปก้าวกายแต่เวลาเขามีแผลกลับมาก็จะคอยอยู่ข้างๆไม่ซ้ำเติมค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มาติ่งตอนที่มีวุฒธธิภาวะพอสมควรแล้วก็ได้เลยติ่งแบบมีสติแบบประมาณว่าแค่อยากติดตามว่าในแต่ละวันเขาทาอะไรมีผลงานอะไรออกมาจะไปแสดงที่ไหน แต่จริงๆเรื่องส่วนตัวก็อยากรู้แต่ไม่เข้าไปก้าวไก่และค่อนข้างให้สเปซกับศิลปินที่ชอบพอสมควรวงเล็บปอลลขอเมาส์เม น, นูน้องยองแจนิดหนึ่งค่ะด้วยความที่น้องเป็นคนติดตินิดหนึ่งก็มีบางเรื่องที่เคยทำเกือบทําให้หนูช้ำใจเล็กน้อยค่ะคือน้องเขาจะเป็นคนชอบลบไอจีมากครั้งแรกที่ลบไอจีทั้งหมดที่น้องโพสหนูรู้สึกกังวลใจมาก กลัวว่าน้องจะมีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่าเลยแอบเจ็บปวดเล็กๆ55แต่หลงัลงๆน้องลบบ่อยค่ะเลยมีภูมิคุ้มกันความติส์มากขึ้นตอนนี้สบายมากจะลบสักกี่ครั้งหนูก็สตรองค่ะ555พี่บอยเคยลบไหมไอจีไม่เข้าใจแปลว่าไง่ะแปลว่าอยู่ๆก็ลบไอจีทั้งหมดทิ้งไงหรอมไม่เคยเนะ ผมเคยแบบลบแบบโฆษณาเงี่ยอืมลงโฆษณาไปแล้วพราะมันเลยวันไปแล้วก็ลบอืแต่ไม่เคยลบเลยทั้งหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม<ช>นี่เขาอาจจะแบบบางวันเขาอาจจะรู้สึกเบื่อแล้ววันนี้ลบทิ้งอะไรเงี้ยแฟนเพลงเขาก็เลยตกใจอืมอืมก็มมไม่เคยเห็นกันนะคนลบไอจเนาะเพราะพี่ไม่มีไอือลบแอคเคาน์เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันอาจจะลบแต่รูปบ้างซึ่งลึกๆแล้วก็แอบกลัวว่าเขาจะรําคาญที่มีคนติดตามและเจ้ากี้เจ้าการเขามากเกินไป จนออกจากวงการไปแล้วจะไม่ได้เห็นเขาในวงการบันเทิองอีกพอเรารักอะไรมากๆทีนี้เราก็จะเริ่มกลัวอย่างมาติ่งเกาหลีเนี่ยการที่เราเห็นความสัมพันธ์ในวงที่น่ารักมันทำให้เรากลัวค่ะว่าอนาคตเขาจะไม่รักกันแบบตอนนี้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนูกลัวมากเลยค่ะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันคงจบปวดและช้าใจมากแต่กัสเองเขาก็แสดงให้เราเห็นและรู้สึกมั่นใจในความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะ ส่วนมีความช้าใจหนึ่งคือการที่ศิลปินเจ็บป่วยค่ะมันเป็นอะไรที่เราหน่วงมากเพราะเราจะกังวลและก็คิดถึงเขาไปพร้อมๆกันคืออยากเจอก็อยากเจอแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวเขาจะไม่สบายอีกถ้าต้องมาหักโหมงานเป็นช่วงเวลาที่ทรมานใจพอสมควรค่ะในการติ่งเกาหลีในการติ่งเกาหลีที่หนูภาวนาในใจตลอด ในการติ่งเกาหลีมีสิ่งมั้งมีสิ่งหนูภาวนาในใจตลอดว่าไม่อยากให้เกิดก็คือเรื่องความสัมพันธ์และการเจ็บป่วยของศิลปินนี่แหละค่ะส่วนเรื่องมีแฟนไม่มีแฟนแล้วแต่พวกเขาค่ะฮ่าฮวงเล็บต่อหน้าหลังค่ะการที่เราได้เฝ้ามองใครในทุกๆวันทำให้เราเห็นความพยายามของเขาในการแต่งเพลงและซ้อมเต้นและทาอะไรหลายๆหลายๆอย่างให้ออกมาดีให้แฟนคลับทุกคนในด้อมภูมิใจ เราเองในฐานะแฟนคลับก็อยากเห็นเข้าประสบความสำเร็จและไปได้ไกลในด้านที่ตัวเองชอบและถนัดการมาติ่งเกาหลีในความคิดของหนูมันก็เหมือนกับการที่เรามีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนที่เราอยากเข้าไปทาความรู้จักชอบนิสัยมันอยากคุยด้วยถูกชะตาและยอมรับในข้อดีข้อเสียของเพื่อนได้และอยากให้มันเจอสิ่งที่ดีมันไม่ใช่แค่การที่เราเจอหน้าแล้วฟินอย่างเดียวอย่างที่สายตาคนนอก และความคิดหนูในเมื่อก่อนเคยและความคิดหนูเมื่อก่อนที่เคยเข้าใจฉบับนี้ก็จบแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกต้องคอยติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปอลอถ้ามีใครรำคาญเรื่องติ่งขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ ไม่มีใครอีนะดีนะพี่วันเนี่ดีมากสมบูรณ์เรีธรรมดาพี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยชอบเราไม่รู้เลยอ่ะอชอบให้เอามีเรื่องอะไรมาแชร์กันแบบนี้เห็นวันวันั้นพี่เล็กก็บอกว่าเขาชอบอยากฟังเขาทีแรกเขาเจออะไรนะที่เขางงา่ะหูนี่เรางงไปหมดแล้วสำศัพท์แล้วที่เขถึงพูดประโยคเรื่องมา B N K ใช่ไหมใช่ใช่ B N K กับอีกอันหนึ่งเรื่องเกย์ปะเออเอใจ่วายใส่วายหูนี่เหนี่เรางงไปหมดแล้วเนี่ยอี ขออภัยสำหรับลายมือที่อ่านยากจากติ่งโคโค่หมาของก o d s e ซเวปอลองเล็บยังอีกครั้งอีกโคโค่ตอนนี้อายุสองปีแล้วนะคะอืดีใจด้วยเหมือนอย่างที่ BNK48 เนี่ยนะก็ที่คนที่เขาชอบนี่ก็คิดแบบนี้นะที่ไปเจอมากมันสนับสนุนให้น้องๆไปถึงความฝันอะไรเงี้ยไอ้ปันเลยพี่อป้องภูมิใจเพราะว่า เหมือนปันให้อะไรน้องสักอย่างแล้วน้องไทายรูปลงไอจเครื่องบินหรือเปล่าไม่รู้เห็นปันให้เหรอเห็นน้องอเห็นปันอวดกับน้องฝึกงานอยู่มผมได้ยินอยู่ ขนาดนี้เลยแต่ว่าน้องไทยรูปสิ่งของนั้นลงไอจีน้องอ๋อคือเอาของไม่ให้น้องเขาใส่ไปใส่ไปไอ้ปันน่ยอยู่เวทีค่ะแต่ว่าเหมือนอาสาพาไมขึ้นมาส่งเป็นวิธีกรที่เวทีเวิร์กช็อป่ึกไมเคิลเนี่ยมันเดินเองตลอดทั้กลัวมันกลัวมันเดินไม่ถูกไงพี่พี่บุ้มมันไกลจากเวทีโน้นมาเวทีมันไกลนะอาสาพาไมเคิเดินมาเนี่ยมันหลงมากกว่าจะกลับไปพูดแต่ละคน จริงสารภาพเลยวไม่รู้จักเลยอะเบ K เคโฟเแต่บูมารู้จักตอนน้องๆในอินบ็อกเข้ามาว่าอยากให้มางานแคดฟูดีวอมประมาณสิบคนได้แต่วันนั้นอะที่หลังจากเสร็จตรงเข้าแล้วอ่ะตรงเข้าจบเวิร์กช็อปแล้วอะก็มีบางคนที่อยู่นะอุ้ยเดินเดินอยู่ต่อแล้วก็มาเที่ยวงานมกาฟังเพลงศิลปินคนนึงที่ผมรู้จักด้วยแล้วก็มายืนเต้นด้วยอยู่งหลังมีคนถ่ายรูปว่าผมไม่เห็นภาพนี้โอ้โหทำจริงจริงเขารักศิลปินคนนั้นอย่างนั้นเลยอะเขาจริงจมีคนถ่ายรูปเขามายืนดูวิบอยอยู่ เอาพี่พลอยอหรอฮะเลยเฉลยเลยแล้วแล้วเขาไม่ยืนดูแล้วทำท่าหัวใจเหมือนในลูกนั้นหรือเปล่าเห็นผมเห็นลูกเหมือนเขาเขาชอบเป็นแฟนเพลงี่พลอเลยอ่ะแต่เขาก็ถามนะว่าพิธีกรเวทีเวิร์กช็อปใช้พี่พอยหรือเปล่าไอ้ที่อยู่บนเวทีกลังใจไม่พอยเหรอมึงจะเอาข้างล่างพูดเหรอผู้จัดการเขาถามเลยบอกว่าใครเป็นวิธีกรเวทีเวิร์กช็อปเบอกว่าเนี่ย จะมีพี่บอยได้ไหมเออเพราะว่าแบบเหมือนพี่บอยเคยแต่งเพลงให้น้องตอนน้องๆเขาก็แบบเหมือนรู้จักอยู่บมผมก็มาถามมาถามแล้วพี่บอยเอยจะดีเหรออะไรอย่างงี้มาถามตอนไหนถามในไลน์อ๋อตั้งแต่ตอนนู้นน่ะเหรอใช่อืเห็นไหมบอยเนี่ยสิ่งที่เราทํางานมาทั้งหมดอะตลอดชีวิตอะที่คุยกันมาตลอดมาสิบกว่าปีเนี่ยเห็นไหมมันไม่สูญเปล่ามันทํามาถึงวันนี้มันก็นี่มันคือน้ำดื่มเกลือแร่ชัด พี่ซอนนี่อินไลน์มาค่ะระวังจะเค็มเกินนะฮะเรามาน้ำใส่เกลือแล้วยนจะเค็มนะฮะระวางแต่พี่ซอนนี่ก็ไม่ได้ไลไม่ได้ทำไมฮะเขาไลน์มาเขาบอกว่าขอเป็นพิธีกรช่วง B N K ได้ไหมบอกเขาก็ไม่ได้นี่เขาทุกอย่างชัดเจนเลยอะช่วงสปาเกตตี้ยังไม่พออีกหระไม่มีการปัดป้องไม่มีอะไรเลยสปาเกตตี้ยังไม่พออีกเหฮะคุณซอนนี่ฮะเอสปาเกตตี้มันเปิดพิธีกรในวงมากเลยเขาด้วยฮะผเห็นรูปมีคนส่งมาในวันนั้นเนี่ยพิธีกรคู่กเขาทาไมถึง มีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะพี่บูมเราเป็นพิธีกรใน ง, งานแคดหน่อยไอกุ้งจัดค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้องคนนั้ น, นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้องคนน้องเมน้องเมย์เฟนน้องปั้นจะเดโอเกตน้อง อ, อมน้เทเลกน้อง อ, อมเทเลกเทเลกอืมอะไรกันครับเน<ม>ี่ยจริงกุ้งจัดะอะไรกันรครับเนี่ยผมงง้พี่นนี่ไงถึงกับถึงเดินเข้ามาเดินเข้ามา เขาเีกสแล้วไม่ตามใจเขาไม่ได้ตามใจเขาเรียกสโอ้โหอะไรกันนะมาตอนแลกกุ้งจัดอะไม่มีตอนเจอรีล็อกเก็ตด้วยนะอืมเออเขาไปเองเหรอเขาก็ลนมาแล้วไม่พี่ไม่ได้เข้าชนเจอรีล็อกเก็ตหรอแล้วเาไลนมาหาพี่จะขอ b ีซึ่งเวลามันชนกันพี่ชนนี่ต้องเลือกนะคะจะเอาหมดเลยอะคะกุ้งก็เลยบอกพี่ว่าเดี๋ยวเขามีการเสนอตัวอย่างเงี้ยเหรอใช่เพราะว่าผมเจอเขาตรงข้างเวทีอย่างเงี้ยบเป็นพี่ดูไหม b ีเอ็นอย่างเงี้ย ไม่ใช่สายไม่ใช่สายแหมเสนอตัวแล้วเราเวิดอาทิตย์ปรเสิ็จมองไม่ใช่สายไมยส่วนตัวส่นนี้กับปันสอนนี้กับมี์สนนี้กับอ อ, อ, อมใช่ไหมฮะปันปันปันนี่มันทีทีปันปันปัน แล้วรายการเขานี้เขาจัดคู่ใครอะกับพี่นอแนวนอกเนี่ยฮะพี่นอมาไม่ได้พี่นอไม่มาตุลตุลาเมอะไรคืออะไรอ่ะแต่ถึงมาเขาก็ไม่เคยคู่กันนะพี่สังเกตไหมผมไม่รู้ว่านอกจากในรายการสามชั่วโมงปกติเขาคุยกันหรือเปล่าชีวิตผมก็ต้องคู่กับพี่บอยพี่เล็กไอ้จ๋องนัจโจ้พี่จ้อยไม่เคยคู่คนอื่นผมก็ไม่รู้ผมรู้ว่า เป็นพิธีกรต้องคู่กับคนที่จัดรายการด้วยกันไงผมเพิ่งรู้เนี่ยเขาเรียกเควสที่ไม่เคยเรียกคือเราทำเราเรียกเควสแบบนี้ได้เหรอเราเรียกเควสได้แต่เราไม่รู้จะได้สิ่งนี้หรือเปล่าคือเราเรียกเควสได้พี่บอยจะพี่บอยก็ได้ไปแล้ยพี่บอยก็จะล็อกกันล็องก็ไปแล้วไง ติดต่อน้องอิงให้หน่อยดีอะไรเงี้ยก็เคยแล้วอะไรเป็นคนเสนอพี่เองนะมาทำอะไรนี้เป็นคนเสนอพี่เองเลยจูนจนอะจูนจอะไรอ่ะเอ็มวีนั่งเองก็เป็นดวงอาทิตย์ของพี่บอยเอาหรอแล้วล่าถึงก็เป็นคุณวีร้อมันเหมือนหมกันหมดอ่ะไอพวกได้มาเหมือนกันหมดได้ก็วีคืออะไรก็บอยก็วีคืออะไรอะไรเนี่ยอะไรนั่นงานเอ็มวีก็จุนจูนพอแค่ฟู้ดก็อิงอันนี้มางานไปดีบอยก็วีหมด จะหมดแล้วก็หมดแล้วพี่บอยแต่พี่ก็บอกปุมนั่นกับปีที่แล้วเราตอนสครอฟเฟรนด์ว่าเขามีเพลงให้น้องวีแล้วแต่งเสร็จแล้วนี่แลคนนึงเนี่ยแต่หลายคนโอ้ยก็นี่ตลกมากแต่งเสร็จแล้วเนีคือเจอวีปีที่แล้วเนี่ยอยู่หลังเวทีใช่จําได้แม่นเลยบอกก็บอกด้มีภรรยาก็อืม ยูยูไปถ่ายรูปให้หน่อยดินี่คนนี้ไงที่ยูชอบไงยูไปถ่ายเ้าสิเดี๋ยวเดี๋ยวไถ่ายให้เขาเรียกบูมบอกว่าเนี่ยบอกน้องวีหน่อยว่าให้ถ่ายรูปรยาพี่หน่อยไม่ใช่แล้วด่าเขาเลยปะไม่รู้จักหนักหนักแต่ละคนพีอพเนี่ยทั้งสามคนนะชอบพี่ต้งเนี่ยโอเคสวยนะคลีน อย่าให้พูดถึงคุณมนเทียนเลยผมอย่าพูดถึงเขาะผมกลัวเขามาถีบมนเทียนนี่ก็ตอนงานอะไรนะมีแตนกรีสมีแอนกรีดอย่าเล่าเลยฮะจดหมาให้พี่บอยอันนี้จากทุ่งครุฮะก็ทมอ ยี่ิบเจ็ดเดือนหกสองพันห้า้อยหกสิบณเต๊ะทางานและเวลางานแต่ไม่มีงานทำอ้าวสวัสดีครับพี่พี่ในห้องจัดทุกท่านไม่ขอระบุชื่อพี่พี่ละกันเผื่อว่าจะมีแขกรับเชิญมานั่งในห้องจัดด้วยจะได้ไม่ต้องโดนล้อล้อครอบเนาะผม T33 เองครับ อ, อ๋อวันนี้ไม่ได้เขียนมานานเหมือนกันเนาะจดหมายฉบับนี้อาจไม่มี สาระเรื่องราวอะไรเลยเพราะผมยังไม่รู้ว่าจะเล่าอะไระแต่ที่พิมพ์จดหมายฉบับนี้มาเพราะผมว่างมากๆครับไม่รู้จะทําอะไรเลยคิดว่านั่งพิมพ์จดหมายหาพวกพี่ดีกว่าอืมอย่างน้อยก็ยังได้ใช้ความคิดในการเทียบเรียงประโยคและต้องคิดด้วยว่าผมจะพิมพ์อะไรให้พวกพี่อ่านดีอืแต่นั่งคิดอยู่นานก็ยังคิดไม่ออกสัทีเฮ้ยนี่มันกี่โมงแล้วนะอ้าวจะเที่ยงแล้วมื้อกลางวันกินอะไรดีล่ะเนี่ย เออนี่ไงคำถามที่จะใช้คุยกับพวกพี่ได้ในที่สุดก็มีเรื่องให้พิมพ์แล้วฮ่าฮาสรุปว่าช่วงแรกนี้คุยเรื่องเกี่ยวกับของกินละกันแหมเออเดี๋ยวนี้หายไปนานในะพวกเรื่องของกินนะอเอออย่าให้ขาดฮะเรื่องของกินอร่อยวงเล็บอยากไปงานแคทฟู้ดจังแต่ไม่ว่างฮะอา้าวเลยไม่ได้มาสมิเรื่องคำถามแรกเลยครับเมนูอาหารกลางวันอะไรที่พวกพี่เลือกกินบ่อยๆขอคาตอบคนละสองอย่างนะครับ ขอแบบไม่ซ้ํากันเลยจะดีมากจะได้มีเมนูหลากหลายเพราะเกือบทุกวันผมจะเจอปัญหาว่าพอไปถึงร้านอาหารตามสั่งแล้วไม่รู้จะสั่งอะไรดีแต่ทุกครั้งก็มักจะจบด้วยเมนูเดิมๆคือกระเพราเนื้อคณะหมูกรอบอืมมันก็เด็ดแล้วนะกะเพราเนื้อคณาหมูกรอบเนี่ยอืแล้วกระเพราเนื้อคณะหมูกรอบด้วยกันเลยหรออะไรดีฮะถ้าเป็นร้านตามสั่งพี่ก็ถ้ามีหมูกรอบก็กะเพราหมูกรอบ ืแล้วถ้ามีกุนเชียงจะให้ใส่กุนเชียงด้วยอืมถ้าไม่มีก็จะเป็นกระเพราเนื้อฮะอืมผมก็ต้องข้าหมูกรอบนะฮะข้าหมูกรอบร้านําสั่งก็ร้านบะหมี่หรือว่าอะไรแบบนี้ร้านําสั่งอ่ะแบบร้านตำสคือสมมติถ้ามีร้านข้าหมูแดงหมูกรอบก็จะไม่สั่งหมูแดงอ่ะก็กินหมูกรอบอืมแล้วะถ้าเป็นอาหารตำสั่งให้บ่อยชอบสั่งอะไรก็ หมูกรอบผัดพริกแกงออืไข่เจียวอก็ไม่เลวเลยคู้ชมพริกแกงไม่ได้กินน้ำครับแล้วก็ลาปลาพริกเนี่ยนะฮะไข่ดาวออืไข่เจียวที่เพิ่งทอดสุกๆเอ้ยเพิ่งทอดมากับรอบเนี่ยมีบอบชอบไข่เจียวมากกว่าไข่ดาวไข่ดาวก็ชอบฮะออืแต่อย่างงี้ต้องเป็นกินไข่เจียวก็ครับไข่เจียวชอบแบบฟูหรือชอบแบบแบนๆชอบแบบไม่อมน้ํามันเป็นแบนเอี่ยโรยน้ําปลาพริก แต่ผมชอบแบบโฟอโฟ่ ม, มีไงคนเรามีหลายแบบชอบทุกแบบท <c oughs> อดมัเถอะหอนเขวันครับพี่บูมหนึง่งเมนูข้าวหมูทอดน้าปลากับไขย่ยางมะตูม <c oughs> อันนี้ก็เด็ดนะแล้วหมูทอดน้าปลาตามสั่งทำเนี่ยนี่ค่ะไอ้ร้านร้า น, านบูมว่า ท, ท, ทุกทุกร้านมีน้าปลานะคะแล้วทุกทุกร้านน่าจะมีหมูเหรอใช่ค่ะทานคุณป้ารสเข็นเนี่ยคุณป้ารสเข็นบูมซื้อประจาเลย สั่งง่ายโอ้ยข้าวหมูทอดน้ําปลาเออว่าทุกร้านมีน้ําปลาถ้ามีหมูกรอบก็หมูกรอบใช่ใช่ใช่อืออันนี้เจ๋งพี่เก่งมึกกระเทียมค่ะนี่คนตอนตกตะวันออกชายทะเลเออตะวันออกตะวันตกบางการมึกกระเทียมไข่ดาวป่ะฮะไม่เอาค่ะไข่เดียวก็ไม่เอาไม่เอาค่ะอพี่เจ็ดหมูกรอบกระเพรากรอบไข่เจียวครับอ๋อมันพิเศษคนอื่ต้องเปนกระเพรากรอบกระเพรากรอบมีคนว่าน่าจะบอกว่าไข่ ไห้เจียวม้ากะเพรากรอบอ่านทวิตเตอร์นะคะไม่ได้แกล้งอืต่อร้านอาหารข่าวที่พี่ว่าอร่อยสมราคาเมนูแนะนำและขอพิกัดด้วยครับพธอ ม, มีนอกเทเป็นติวันอือไอเหือวุทินี้ก๋ยเตี๋ยวเนื้อแันไม่อยู่แล้วนะต้องรีบไปกินนอกคุณอะไรนะคุณทีทีทรี<ะ>คุณเดี่ยวเนื้อจะไปวันที่สิบนะฮะน่าจะยังมีเวลาอยู่เกือบเกือบาทิตย์อือเาไม่เคยมไม่เคยไปเลยอะ่ะ เนี่ยถ้ามีเวลาคุณมาเลยเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่แล้วอืแล้วเขาบอกว่าไปไหนฮะเขากลับไปอยู่ผ่านฟ้าออร้านดั้งเดินเขาอยู่ผ่านฟ้าพี่บอยร้านแนะนําตอนนี้กำลังตื่นเต้นกับแถวโรงเรียนลูกฮะวิแล้วอยู่หน้าบ้านเลยมีมทุกอย่างอืเป็นตามสั่งอ่อบะหมี่บะหมี่หมูแดงหมูกรอบก็อร่อยอืข้าว ข้าวมันไก่ข้ามันไก่ทอดแล้ว ม, วมันเป็นร้านที่เป็นแบบคือไก่ทอดไก่ต้ ม, มใช่ไหมฮะเอาเป็นข้าวมันก็ได้เป็นบะห ม, มี่ก็ได้อแล้วก็มีต้มเลือด <c oughs> นี่ในร้านเดียวอะ่ะ <c oughs> ใช่ก็คือแบบสามารถพลิกสลับกันได้อะไรอย่างเงี้ยคอมบิเนชันอนี่เลือกหมู่บ้านเนี่ยเลือกจากร้านนี้สบายเลยอะสบายมากเลยมันดูมันบิร์าฟอรขนาดนี้เลือกมากฮะร้านอาหารข้าวครับ พี่บูมลัตติกแอนบัวนิมานซอยเจ็ดค่ะโอ้โหดูมันเหนือไว้ใดูมันเหนือไปเลยนะบ่อยวันมันมาเหนือไว้ให้ลัตติกแอนบัวไว้ให้อร่อยทุกอย่างมาลองไปสั่งเลยนี่เราไปกินใช่ไหมใช่พี่บูมกินผที่บูมไปกินผักอ่ะผมว่าไม่อร่อยอร่อยหรือเปล่าก็อาจจะอร่อยแต่ว่าความทรงจําดีๆมากกว่าออืไม่อร่อยจริงอร่อยทรงจำอันนี้ทำให้บูมกินผักได้เงี้ยหรอใช่ครับ อะไรนะทำให้คนไม่กินพยอมกินติมไอทำไมไม่ใช่ความรักยังไงล้วใช่สิอร่อยทุกอย่างพี่เก่งของกินย่านตลาดทัวค่ะมันอร่อยแล้วมันก็ราคาไม่แพงอันนี้ชนะยู<ช>่ตลาดทูนี่พี่หยบ ข้าวหมูแดงยัสามสิบาทอยู่ก๋วยเตี๋ยวน้ําใส่ก็ยังสามสิบาทอยู่แล้วก็เติมน้ําใส่ในน้ำหมึกแห้งอร่อยมากนะฮะเลนะหมึกแห้งอะค่ะใส่ปลาหมึกแห้งด้วยล่ะใส่หนในน้ำซุปใส่ปลาหมึกแห้งมันจะหอมปลาหมึกแห้งมากแล้วยังสามสิบาทอยู่หลายอย่างมากค่ะหิวอยู่แถวไหนนะตลาดปูค่ะตลาดปูนี่ที่บาทร้อีเอกระวะมีปูนี่ละเนี่ยเป็นนักอ่านนี่เนี่ยที่อ่หนังสืออยู่ เดี๋ยวเจ็ดเจ็ดก่อนเจ็ดอาเจ็ดร้านอาหาราวแพ้พี่กิ่งแล้วอะแต่ว่าแนะนำง่ายก็ b t ทสพันควายครับขาหมูสมใจ b t ทสพันควายเหรอเฮ้ยทำไมเราไม่เคยกินพี่บอกไอ้ขาหมูสมใจลง BTS สมาถ้าลงฝั่งบิ๊กซีอยู่ซ้ายมือครับซอยแรกเลยครับฝั่งบิ๊กซีมันจะเป็นตลาดข้างในเลนไปทางบิ๊กซีอยู่ซ้ายมือใช่ครับจะเป็นตลาดข้างในก็เข้าเข้าขาหมูผสมหมูกรอบแบบ45บาทไรเงี้ยแต่เป็นสมกรอบข้าวขาหมูแล้วผสมหมูกรอบใช่เฮ้ยมิกได้ตามใจเลยเจ๋งมาก สี่ิบห้าบาทอะไรเงี้ยข้าวขาหมูกระหมูกรอบมัอนแล้จะมีคนทำมานาแล้วนะมันน่าจะอยู่ด้วยกันแล้วแบบคอเลสเตอรอลมันสุดยอดไงมันถึงเจ๋งจริงเสนอหน้ามาพร้อมกันเลยสีิบห้าบาทแต่ว่าเออพพูดถึงข้าวขาหมูเนี่ยแนะนําร้านปรุงเลยนะอืมเอออร่อยอร่อยจริงแต่ไงก็มาขายอร่อยเคี่ยวนานเป็นวันออืมันมีร้านข้าวมันไก่อยู่ร้านหนึ่งอ่ะเรือชื่ออะไรเรือธงหรือนายธงนายธงใช่ที่มันมีหมูกรอบด้วยอ่ะ อาเซียข้าวมันไก่กับข้าวหน้าหมูกรอบโอ้โหข้าวมันหมูกรอบอยู่ตรงไหนในทงอยู่ตรงเวลาเข้าลงมยาบาลกรุงเทพอะฮะแล้วซอยที่เลี้ยวเข้าอาเซียอ่ะอยู่ตรงนั้นเลยออืตรงในซอยนี้ก่อนถึงก่อนถึงก่อนถึงที่ด่านเก็บเก็บเก็บบัตรอาเซียเลยลงบางกรุงเทพอยู่ขวามือคือไก่ก็ดีข้าวอาเซียอยู่ขวามือไก่ก็ดีเลยเป็นแบบแฉะแบบออืชุ่มฉ่ำอะ หมูกรอบแบบกรอบจริงๆริงทำไมเราไม่เคยกินร้านในถองเขาเพงมาเปิดหรืไงพี่บุ๋มเปิดสักพักแล้วเราย้ายมาเร็วเปิดตอนที่เราย้ายมาแล้วแต่ว่าเจ๋งมากเ้ยกุ้มใจน้ำซุปก็อร่อยกินไม่หมดใช่กินของทุกอย่างในนอ้ไว้หมดกุ้มใจบางทีมีหนังไก่ด้วยโอ้นี่เหรอใช่ใเคยมีค่ะอ๋อกล้วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวไม่ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูไก่เป็ดยันนาโฟพวกพี่ชอบแบบไหนแนะนําร้านและพี่กันด้วยครับื อ, อก๋วยเตี๋ยวเนื้อถ้า<ถ>หรือหมูหรือว่าเป็ดหรือว่าไก่ยังไงชอบแบบไหนก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั้หมดเลยอที่พูดมาเนี้ยได้หมดจริ ง, รงๆรอะ่ะชอบทุกอย่างแต่เป็ดหลังๆมันต้องงดแต่แนะนำก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วกันเพราะมันอยู่ในใจคือเป็นสิ่งเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อพูดไปแล้วตามสี่ปะ เอะไรนะร้านชื่ออะไรนะตรงารามสี่อพร้อมกันเลยืแบบสม่ำพร้อมกันตรงโค้งตรงโค้งเออข้ามที่เขาแข่งบอลของท่เือะไรนั่นใช่คะนั่นก็วเต๋ยวเนื้อตรงที<อ>่สนามบอลนั้นก็เตีเ๋ยวแหงชุ น, น, น, เเ น, นเสง็งแต่นี่ชื่ออะไรนะก๋เต๋ยวเป็ตรงนั้นนั่นแหละน่า น, นักฮะเวลาสั่งเนี่ย น, นะเครื่องในเครื่องในมันดีงามมากแล้วมัน คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ปะ่ะแต่ผมไม่กินไส้สั่งบะหมี่แห้งเป็ดมานะใส่กลืนใส่อะไรมาเงี้ยแล้วจานต้องสั่งไก่เขาะจะมีพวกไก่พะโลเป็นเครื่องเป็นตังหาปีกใหญ่ปีไก่ใหญ่พี่ชอบกินปีไก่ใหญ่มันจะมีปีไก่ใหญ่ปีไก่เล็กเครื่องไหนสั่งปีไก่ใหญ่ถ้วยหนึ่งแล้วก็บะหมี่แห้งเป็ดอมชื่ออะไรเนี่ยนึกไม่ออกขออภัยด้วยพระรามสี่ชื่ออะไรวะอ่ะพี่บุ้มแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวหนึ่งร้านร้านเฉยค่ะ ฮะกูยังชอบร้านเฉยอยู่เลยค่ะตรงเอกมัยอะไม่อยู่แล้วนะลุงเฉยอ้าวลุงเฉยไม่อยู่นานแล้วอ้าวเหรอคะแต่ว่าอาหารยังอร่อยอยู่อ่ะอืมแต่ช้าจริงอ่ะวันนั้นไปกินมาก็ยังแบบน้ําซุปนี่ยังมีหมูเล็กเล็กขนๆนะคะอืมแล้วกากหมูกากหมูก็ก็ยังก่อนเสียใช่เสียมี่เซอร์เลยเหรอฮะเสียเสียโอ้ยร้านเนี้ยอืมพี่บอยก๋วยเตี๋ยวก็เสียเนี่ยแหละฮะ ไม่ไม่เสียด้วยไงอถ้าก๋เติ๋เนื้อก็ผมถ้าถูกจริตผมนะผมชอบวัฒนาพานิชอืมเพราะว่าแบบซุปนี่คือเป็นคล่องครองกระเพรากระเพราหมูเป็นสายจีนวัฒนาพานิชพวงนี้อร่อยหมดเลยนะเนื้อกะเทียมหัดซีอิ๊วเนื้อหมูหวานสุกี้หมูหวานนี่พี่บอเคยบอกแต่ไม่ได้ลองทุกทีแล้วก็ ก็จะหมูอะอะไรเดี่ยลุงเรืองไงลุงเรืองแซวแซวลุงเรืองสุขุมวิทยี่หกหรือยี่สี่ไประปปีนรั้วโอ้นี่ไม่โอ้โปีนรั้วนี่ต้องลงลงทางด่วนพระรามสี่สายมืออือันนี้ปีนรั้วเนี่ยมันเป็นมีน้องผมคนหนึ่งธรรมดากินก๋วยเตี๋ยงไงแล้วผมเกลียดเครื่องในพี่ผมกินเครื่องในไม่ได้ไปกินปีนรั้วนี้ซื้อกระเพาะกับบ้านลูกหนึ่งใครฮะน้องผมคือแขวะไม่บอย ผมไม่เคยกินเครื่องในพี่กินขึ้นมาได้ยังไงซื้อก็เพาะหมูลูกหนึ่งทั้งกระเพาะเลยอะโอเคง่ายวมนนั้นคือเหมาก <c oughs> ระเพาะเฮยอร่อยจริงงงเลยอะตาพี่เจ็ดก๋วยเตี๋ยว ว, วัฒนาอะไรครับเพราะว่าง่ายสุดแล้วก็เดินทางง่ายด้วยครับมไม่ยากต่อหุอยหิวเลยวะกุ้มใจกินของไม่หมดโลกตีวแล้วข้อสี่ ร้านของหวานหรือไอศครีมราคาไม่แพงของหวานไม่ใช่ทางผมฮะมขอเมนูแนะนําแล้วพิกัดครับต้องพี่บอยฮะของหวานมันอะไรอ่ะไม่รู้วอะของหวานไอศครีมไม่รู้ผมไม่เป็นพวกของหวานอ่ะ่านอก็ไม่ค่อยกิม่กินแม่ของหวาน ตอนนี้ชอบกินไอติมไข่แข็งค่ะที่ที่ตลาดผููอีกแล้วอ่ะอ๋อไม่มีอย่างนะใช่หาร้านหมวยหลีมั้งคะร้านนี้อร่อยมากเราเออเอานะรอดช่องอ่ะน้ากะทิหอมมากอร่อยมากได้ข้อมังเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราพักกันก็เดกสบายถามคุณพ่อนาะเด็สบายร้านขนม น้ำน้ำสุนไพรถามคุณพ่อน้องชื่นใจครับชื่นใจชอบกินเมนูอะไรบ้างครับผมจะได้มีเมนูใหม่ๆให้ลูกผมลองกินบ้างอ๋อโห่กรอบอะแป้งใช่แคบหมูกลับข้าวไม่กินกินแต่ข้าวชื่นใจเอาผักมาให้ปุมาเป็นแบบเป็นดุ้นเลยอะเขาชอบกินผักเอามาอะพี่ปมต้องกินนะคะ เชื่อใจจําได้ว่าบุ้มไม่กินผักทุกครั้งเจอบุ้มก็จะเอาผักสุดยอดเชิ้นเลยฮะชื่กินผักเก่งแต่ว่าใครเขาถึงชอบอะพี่บอยเออไม่รู้อะคือกินผักนี่ไม่ต้องบอกเลยะแต่ว่าเนื้อสัตว์ไม่ยอมกินอืมชื่อใจเป็นมังอืเทอะออะจบเรื่องของกินต้องขออภัยด้วยถ้าทําให้หลายคนรู้สึกหิวอืผมได้ละฮะ แล้วเราต้องพักไว้ก่อนรตรงนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเรากลับมาอ่านต่อนะมีคนบอกข้างนอกรถยังติดอยู่เลยอะไ ม, ไม่ไหวแล้วนี่หิวพัก ของฉันในหลวงของ First Slot Machine ความต้องใจงของผมที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพระราชกรณียกิจแล้วนะครับไม่เคยเห็นวันไหนที่ท่านไม่ทำงานเลยแล้วก็ทุกครั้งที่มีกระแสพระราชดำรักเราก็รู้สึกว่าเราจะทำอะไรเพื่อตอแบแทนท่านได้บ้างวันนี้ไม่ไม่มีพระองค์ท่านแล้วก็จะดำเนินตาม รอยเท้าของประองค์านนะก็ขอสัญญาว่าจะทำให้ให้ให้ดีที่สุดครับช็อกวงการสองดลิตประกาศเป็นแฟนเล็กกรีซี่บอยไตรไม่เกรงใจลูกประกาศลั่นขอเป็นแฟนจูนจูนบอยโกศยพงศ์ยอมรับมีแฟนเยอะแถมมีแฟนมาแล้วทุกเพศยุคเนี้ย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 แฟนสเตอร์แอปพลิเคชันรวมคนดังทุกวงการเพลงดาวน์โหลดเลยวันนี้ที่แอป Store และ Google p l a y ์แคทเรดิ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 2,860 ไมล์คือระยะห่างระหว่างผมกับมิยาบิ U R O E I Hashimoto A K B 4 o r t บางทีเร็วๆนี้ผมอาจจะได้ใกล้พวกเธอมากขึ้นได้ยืนบนพื้นดินเดียวกันกับเธอเริ่มบร่ม Honda Presence ตัวร์จีโอโง่ญี่ปุ่นสองเที่ยวจีบลิตสตูดิโ t โตโตโรฟอเ e ส t อ o n ้าคอลเล hall ดูดนตรสีสดที่ชิมโมกิตาสวาวะแช่ออนเซ็นริมทะเลขี่จักรยานชมดอกไม้ที่ฮิตาชิ4 ส, สายปากและครั้งหนึ่งในชีวิตกับเทศกาลดนตรีระดับโลก Summer ร์โซนิกร่วมเป็นนายแบบนางแบบให้2ตากล้อง DJ กันและไมเคิลร่วมสนุกตอบคำถามสะสมหมายทุกช่วง DJ เจลุนบินฟรีที่0 2นย์สอ1หสนับสนุนโดยรถจักรยายนยนต์ Honda ให้ออเนียวฮอนด้าสกูบี้ไอท์ใหม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 ชนรัคุณชาแคทจบแบบไหนมีคุณค่าที่สุดคุณเลือกเองได้30ปีไฮคิวพ e ีเซนเอาเธอมาทําเป็นหนังเทศกาลประกวดหนังสั้นที่คุณเลือกตอนจบได้ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 แบาทตรงหนังสั้นความยาวไม่เกิน10นาทีพร้อมตอนจบอย่างน้อย2แบบอย่าลืมชาผลิตภัณฑ์อาหารโรซาในหนังอย่างน้อย1ครั้งหมดเขต27สิงหาคมนี้ดาวน์โหลดไปสมัคร w w w d t h i s is cat com สอบถามโทร0ูนย์เก สองสี1และ a c e b o o k ไ h ค q s h o อตฟิลมสนับสนุนโดย30ปีไฮ q ิคุณค่าอยู่ในสิ่งที่เราเลือกทำแฟนเขาเรียกตัวเองแต่ถ้าแฟนเพลงต้องแฟนสเตอร์แอปพลิเคชันรวมคนดังทุกวงการเพลงดาวน์โหลดเลยวันนี้ที่ a p ป Store และ Google Play 30ปีไฮคิวพร e เซนตเอาเธอมาทําเป็นหนังเทศกาลประกวดหนังสั้นที่คุณเลือกตอนจบได้สนับสนุนโดย30ปีไฮคิวคุณค่าอยู่ในสิ่งที่เราเลือกทําขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาหนังทําหนังสั้นส่งประกวดกับโครงการ30ปีไฮคิวพรีเซนตเอาเธอมาทําเป็นหนังนะครับเป็นเทศกาลประกวดหนังสั้นที่ทุกคนสามารถเลือกตอนจบได้เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 แบาทนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะมีหนังตัวอย่างใช่ไหมใช่ครับไม่เป็นเป็นทีวีซีเป็นทีวีซีก่อนอืจะมีทั้งทีวีซีและหนังตัวอย่างเดี๋ยวจะมีทีวีซีออกมาหลายๆคนเห็นโปสเตอร์หนังก็มีพระเอกน่าจะพระเอกนางเอกแล้วอีกหนึ่งเนี่ยไม่รู้ใครตุ่ยฉ้าหรือเป็นนางเอกอีกคนหนึ่งไม่รู้เนี่ยะเพราะผมเล่าว่าเลือกตอนจบได้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าพระเอกของเราเนี่ยคือคุณมณฑลจีราเนี่ยจะเลือกระหว่างยิปโซเนี่ยกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ อันนี้ก็ต้องติดตามกันนะว่าจะเลือกจบแบบไหนอทําหนังส่งวันศุกร์นี้นะติดตามได้นะครับทำหนังส่งกันเข้ามานะครับเงินรางวัลนะครับรางวัลที่15 0,000 ้าหรางวัลที่ 2- องส0 0หมืรางวัลที่ 3- า0 0 0งหมื่นป๊อปปูล่าโหวตหนึ่งหมืและมีรางวัลโรซาเลือกคุณค่าเพื่อมอบให้กับฉากที่มีผลิตภัณฑ์โรซาโดนใจอีก 10,000 บาทนะครับดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ w w w d i ไวด์เว็บด หรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์025309611 0952468311และทาง Facebook ที่ HiQ s h o ็อตฟิมหมดเคสส่งผลงาน27สิงหาคมนี้ครับสนับสนุนโดย30ปี HiQ คุณค่าอยู่ในสิ่งที่เราเลือกทำครับต่อจดหมายของคุณ t t ทครับที่ทำให้เราห <c oughs> ิวกันทุกคนจนต้องกินขนมของน้องใหม่และคุณเมย์อย่างเอามันนะอเงี้ยอร่อยมาก ตอนนะฮะจากหลังจากกินข้าวและใช้เวลาพักเที่ยงอย่างเต็มที่ก็กลับมาที่โต๊ะทํางานหนี้ก็ต่ออันได้จริงๆเลยนะในช่วงพักอืแล้วก็ยังไม่มีอะไรทําเหมือนเดิมอเพราะด้วยงานของผมต้องรอให้มีอุปกรณ์เสียหรือมีคนแจ้งเข้ามาให้ไปตรวจสอบอุปกรณ์อ๋อผมถึงจะมีงานทําอือนี่วันวันก็หมายวันหนึ่งก็นั่งพักผ่อนไปก่อนอืเหมือนแบบพนักงานรับเพลิงออืซึ่งอุปกรณ์ที่ผมดูแลก็จะไม่ได้เสียงง่ายๆซะด้วยสิ เวลาก็ผ่านไปอย่างเชื่องช้าลึกเกินทาหนังสั้นสิครับกุนทีท ท, ท, ทีใช่ว่าเราเนี่ยทำหนังสั้นสิับใช่อืทั้งๆ ท, ที่มีทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์และอินเทอร์เนต็ตแต่ทําไมรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจสักอย่างหรืออาจจะเป็นเพราะโต๊ะที่ผมนั่งทํางานตั้งอยู่ด้านหน้าของเพื่อนร่วม ง, งานอีกสองคนคือไม่ว่าผมจะทําอะไรที่หน้าจอคอมสองคนด้านหลังก็จะเห็นผมเลยไม่สามารถเปิดดูสิ่งไร้สาระได้มากนะักแม่ ย้ายที่ก็กลับห่างไม่ได้หรอจะทําอะไรก็ไม่สะดวกหรือจะนั่งอยู่เฉยๆก็จะดูไม่เหมาะพวกพี่เคยอยู่ในสถานาการณ์แบบนี้บ้างไหมครับแบบว่าไม่รู้จะทําอะไรดีหรือจะทําอะไรแล้วก็กังวลว่าจะมีคนเห็นไม่เคยไม่ค่อยเพราะพี่อยู่คนเดียวไม่ค่อยแขรไม่ค่อยแข่พี่ไม่ค่อยอยู่กับเจอ <c oughs> ไม่ค่อยอยู่กับเจอผู้คนแล้วพอมีคําแนะนําที่ผมพอทําแก้เบือ่อ หรือสิ่งที่ทําแล้วดูมีสาระใช้เวลา ง, งานให้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากที่ผมพิมพ์จดหมายหาพวกพี่ไหมครับอย<ม>พิมพ์จดหมายพวกเรานี้มีประโยชน์<ม>สุดๆเลยแนะนำให้เขียนจดหมายมานะหรื อ, อหางานดีเล็กดิฮะไม่ใช่เวลางา น, านนะอ๋อท <laughs> ีเขาพูดอยู่เวลางานก็ต้องทํางานก็ทําในสิ่งที่ถนัถักนิตติ้งดิไหมฮะนั่นก็เป็นงานดีเรกเนี่ยฮะพี่บอยจริงเช่นถ้าสมมุติว่ามีงานอดีเรกเนี่ย ที่ทําได้เนี่ยถ้าสมมติอย่างเป็นผมเนี่ยก็เข้าอีเบอ่ะฮะหูเสียตังเข้าอีเบเข้าเราไม่ต้องเป็นต้องซื้อพี่บุมหวคนที่เราเข้าไปเพื่อหาความรู้เราจะรอดเหรอพี่เราเข้าไปหาความรู้ทุกวันนี้ต้องทําอย่างนี้เพราะซื้อไม่ได้บุ้มคลิาตลอดเลยดูเวอร์ชั่นนั้นออริจินอลเป็นอย่างนี้แตกต่างคนที่นั่งหลังเขาจะมองไงว่าแบบเอ๊ะทําอะไรแล้วก็บอกว่าเราศึกษางานอืนั่งเรียงดินสอดีไหมเหลาเหล่าดินสอในออฟฟิศ เออดูดูทำให้มีสมาธิด้วยนะเหล่าดินซอืมซื้อมาสักสามโหลเราว่าเราสามโหลเนี่ยใช่จัดแซมจัดเรียงจัดกอถึงพนักพูแเราก็ไม่รู้ว่าสายงไงเขาเป็นอะไรด้วยไงนะใช่ไหมซ่อมเครื่องจัดอะไรเงี้ยเหรอพูดถึงเรื่องไร้สาระอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือการอ่านหนังสือการ์ตูนครับอ่านได้ไหมในเวลางาน ผมอ่านได้เกือบทุกแนวอืยกเว้นการ์ตูนตาหวานอืซึ่งช่วงที่อ่านการ์ตูนมากที่สุดก็จะเป็นช่วงมอต้นเพราะผมไปตีสนิทกับคนคุมร้านเช่าการ์ตูนแถวบ้านทําให้ผมสามารถนั่งอ่านอยู่ที่ร้านได้ทั้งวันอือ๋อนี่ไงเขาเลยไม่สามารถอ่านการ์ตูนได้เขากลัวคนข้างหลังเห็นอนะใช่ไหมไม่งั้นธรรมดาเขาก็อ่านการ์ตูนได้ถามคนข้างหลังนี่ครับว่าทําอะไรออ ไออ้คคนะะเาาจพี่สองคนนั้นน่าลองถามเขาดูว่พี่ทําอะไรกันอยู่ครับเจดผมนอนนั่งทําอะไรผมเห็นมาเลยว่าผมนั่งอยู่ข้างหลังเจดถามว่าเจดมันมีสพันธ์ไหมวันนี้มันเข้าเว็บบอลนะผมเห็นหมดเลยนะทุกคนก็เหมือนเราอ่ะพี่ว่านะจริงๆแล้วสองคนนั้นก็ก็เหมือนเราแหละแต่เราไม่เห็นหน้าจอเท่านั้นเองอืมสามารถนั่งอยู่ที่ร้านได้ทั้งวันแถมยังดูข้อมูลของคนที่เป็นสมาชิก ของที่ร้านได้ด้วยว่าชื่อเบอร์โทรอะไรมา <laughs> ที่เท่าไหร่เอ้ยน่า ก, กลัวอันนี้ออกแนวแบบนี่มันเจตแล้ว <laughs> แต่ <laughs> <ไป S 2> สุดท้าย <laughs> รู้ไปก็เท่านั้นแหละครับ <laughs> ผมก็ไม่กล้าทำอะไรอยู่ดี <laughs> อ๋อยังไม่ถึงขั้นเจต <laughs> เพราะด้วยความที่เรียนชายล้วนสกลิลการเข้าหาหรือพูดกับผู้หญิงนี่แทบไม่มีมแถมเป็นเด็กขี้เขินอีกต่างหากเข้าใจ เลยไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ใเกิดประโยชน์ได้เลยมงเล็กมีคนน่ามีคนหนึ่งน่ารักมากและผมหาข้อมูลจนรู้ว่าเธอเพอร์เฟกต์สุดเรียนเก่งกีฬาดีบ้านมีฐานะจนทำให้ผมรู้ตัวว่ายืนมองอยู่ห่างๆนั่นแหละดีแล้วแหมไม่ให้โอกาสตัวเองเลยอพอๆย้อนไวนานเกินไปละกลับสู่ปัจจุบันดีกว่าพวกพี่เคยเริ้นการ์ตูนเรื่องเดี๋ยวนะครับ พี่กิ่งกำลังดูก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่อย่างอย่างนี่ไงฮะบอกมุ่นอยู่วิธีใช้เวลาว่าทํางานด้วยเนี่ยฮะเห็นไหมครับคุณทีดีทีมีตัวอย่างให้ดูฮะนี่มันกำลังเซอร์ก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมอยู่ฮะรัสเซียเนี่ยเหรอฮะตะกี้ตะกี้มาถามผมว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เป็นน้ําน้ําซุปจีนหรือซุปไทยมันต่างกันยังไงมันเป็นแบบไหน <molec> คือยังวนบนเวียนอยู่ส่วนพี่บอยถามบุมว่าบุมร้านวัฒนาพาณิชย์เนี่ยตอนนี้ยังเปิดอยู่ไหมทุกคนรู้มีหัวข้อเดียวกันหมดเออเนี่ยมองไปเขา่านี่ไงวิธีทำที่ถูกต้องนี่แหละคุณทีรีทรีใช่พวกพี่เคยได้ยินกรบตูนเรื่องเปียโนโมริเอ้ยเปียโนโนโมริหรือ the perfect world of ใครไหมครับยอดเรื่องเนี้ยว้กระต๊ะ ตึงๆลืมชื่อไทยดูน่ารักเกินมันจบหรือยังอ่ะมันค้างอยู่ประมาเล่มเจ็ดหรืออะไรนัคุณคุณว่าจบแล้วนะเหรอเออหูเพาะมัไม่ออกมานานมากเลยนะคือจําได้ว่าพี่เคยไปถามที่ร้านมันบอกโอ้โหว่าไม่ไม่ออกเลยพี่เดี๋ยวนะหรือว่าเล่มสุดท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอือเพราะพี่นสาขาอยู่ที่สิบเจ็ดหรือสิบแปดเนี่ยพี่บอยถ้าจำไม่ผิดอืม เคยอ่านฮะฮะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับการเปีย โ, โนและดนตรีคลาสสิกผมอ่านเรื่องนี้โดนที่ผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเปียโนหรือดนตรีคลาสสิกเลยออืแต่ด้วยลายเส้นที่ดูสะอาดตาและเนื้อหาของเรื่องมีความน่ารักสนุกสนานชวนติดตามทาให้ผมอ่านซ้ําได้บ่อยมากออืคนวาดเรื่องนี้เป็นคนเดียวกับที่วาดเรื่องผีซ่าฮาระดะใช่เนี่ย จ, จะบอกให้ว่า ผมคิดว่าถ้าจะไม่ผิดนะคนเนี้ยเป็นผู้หญิงนะคนวาดเนี่ยคืออ๋อผมค้างอยู่ที่เล่มยี่สิบพี่บอยอืถึงเล่มยี่สิบคือน้องบอกว่าไม่ชอบคนไอ้การ์ตูนตาหวานเนี่ยคือคนผู้หญิงวาด น, นะเรื่องเนี้ยแต่การ์ตูนตาหวานที่น้องเขาไม่ชอบนี่อาจจะเป็นแนวที่พี่บอยชอบอ่านหรือเปล่าแบบว่าที่เป็นตาโตโตแคนดี <Candy S 2> ะะ้ะหรอืะพระเอกอยู่ยุโรปอะไรเงี้ย <laughs> มือเรียวยาวนิ้วนี่ยาวแบบอผิดส่วนมากอะ่ะ <laughs> จนถึงตอนนี้แปลไทยครั้งอยู่ที่เล่มยี่บสองมาหลายปีถึงยี่สบสองครผมจังขายไปสองเล่มของคุณมากออืแต่ต้นฉบับญี่ปุ่นจบแล้วที่ยี่สิบหกเล่มอ อ, ออกหน่ยดีฮะอีกของซึ่ ง, <4 S 1> มงผมเดาว่าคงไม่ได้อ่านแปลไทยจนจบแน่นอนสงสัยอีกเรื่องที่อ่านบ่อยๆคือเรื่องลาตรกฟ้าประทานนะเราชอบกันชื่อเรื่องอาจจะดูตลกแต่มีหลายตอนที่อ่านแล้วน้ำตาตกไม่รู้ตัว เคยไยินว่าพี่คมสันก็อ่านเรื่องนี้เหมือนกันพี่บอยก็อ่านครับพี่บอยก็ชอบรักมากเรื่องนี้จบแล้วใช่ไหมจบแล้วจบแล้วครับเนี่ยพี่ซื้อมายังไม่ได้อ่านเลยอืจบแบบตัดจบอ่ะไม่จบแบบไม่รู้ตัวออืจบแบบอ่านอ่านอยู่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยคือโดนตังจบบ้างเนี้ยไม่ได้จบแบบรู้สึกไม่ไม่มมแล้วมันจบแบบรู้สึกว่าจบไหมจบจบจบโอเคก่อนหน้านี้ผมเคยสงสัยว่าเป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่ง ว, ว่าจะเป็นกว่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งมีขั้นตอนอยังไงบ้างจนปีที่แล้วเพิ่งได้มาอ่านเรื่องบาคูแมนทําไม่รู้ว่ากว่าจะออกมาเป็นการ์ตูนรวมเล่มเรื่องนึงต้องผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายถ้าไม่ได้รับความนิยมก็จะถูกตัดจบภายในไม่กี่ตอนอืมการ์ตูนเรื่องนี้ตอวหนังสือข้อขั่นเยอะครับถ้าใครไม่ชอบอ่านแนะนําให้หาที่เป็นอนิเมะดูจะได้ความสนุกไปอีกแบบบากคูแมนนะใช่ัหมใช่มีเป็นหนังด้วย อือเออคนเล่นก็ดีนะมิ้งเมก็ดีมากเลยนะฮะเพลงก็เพาะอืมอืล่าสุดมันมีเรื่องนี้นี่ยพี่บอยเขาบอกเจิงเล่มนี้ต้องพิมพ์ซ้ําอ้เป็นฝ่ายบกโอเป็นมองจากมุมฝ่ายบกแล้วมีประโยคประมาณแบบว่าเราเกิดมาเพื่อวงการหนังสือแล้วก็ต้องทําให้หนังสือมันขายดีดีอะไรเงี้ยมีประโยชน์เนี้ยอืมยังไม่ได้อ่านเหมือนกันเพิ่งออกเล่มหนึ่งยังไม่ได้ไปซือ้อยังมีการ์ตูน ออกมาใหม่ๆที่น่าสนได้ใช่ไหมฮะเรียกว่าแบบหมดหวังไปละการอ่านการ์ตูนหมดเหมือนกันหลายเรื่องเราคงไม่ได้อ่านต่อเลยนะเช่นโกคุอะไรพวกนั้นนะอืมแต่เดือนนี้วิธีการอ่านการ์ตูนเริ่มเปลี่ยนไปร้านเช่าทยอยปิดตัวเพราะสามารถหาอ่านการ์ตูนใหม่ๆโดยการแปลของคนทั่วไปตามเว็บต่างๆซึ่งน่าจะส่งผลต่อวงการหนังสือ ก, การ์ตูนพอสมควรไม่พอสมควรละครับหนักเลยละครับครับ มืดมนฮะตรงนถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยถูกต้องแต่มันก็เป็นการได้ลองอ่านเพื่อดูว่าชอบเรื่องไหนนี่แหละครับ <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> เหมือนวงกันเพลงเลยฮะ <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่สำนักพิมพ์ในไทยมีการซื้อลิขสิทธิ์มาตีพิมพ์ผมก็จะไปซื้อมาเก็บไว้อื <c oughs> จะได้หยิมมาอ่านได้บ่อยๆถูกต้องพวกพี่ละครับมีหนังสือการ์ตูนที่อ่านอยู่หรือเรื่องไหนที่ชอบมากๆช่วยแนะนําด้วยครับ <c oughs> เผื่อผมจะไปหาตามอ่านบ้าง <c oughs> ขอบคุณที่อ่านจดหมายและตอบคาถามครับ นี่นะก็ที่น้องเข้าพูดเนี่ยนะแล้วก็ยังมีที่เราอ่านค้างๆไว้อีกจำนวนมากสเปซบาร์เธออย่างเงี้ยสเปซรก็ยังทยอยออกอยู่เรื่อยๆแต่ยังออกเรื่องนี้ออก I อ m อมฮ o โนี่จบแล้วใช่ไหมจบละไอแมฮนี่ก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะเล่มจบแล้วมีอะไรนะที่เราชอบกันเซนโกคูเงี้ยนะเซนโกคูนี่เป็นเรื่องสมัยอดีตของโนบูดังะกับฮิเดโยชิครับ นึงไม่ออกผมไม่ได้อ่านการ์ตูนเลยตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งแต่เด็กเลยเรื่องสุดท้ายที่อ่านนี้คือมีโดเรมอนอยู่ชุดหนึ่งที่คุณพ่อซื้อมาแล้วก็ไม่เคยเล่นอ่านเรื่องอื่นอีกเลยอ่าแต่โดเรมอนว่างั้นใช่อ่ะรู้สึกว่ามันเด็กอะไรเงี้ยเอือรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอ่านออืแต่ดูนะผมก็ดูการ์ตูนจีบีนะแต่ว่าผมไม่อ่านอืออือหึห ครับนึกไม่ออกอันเนี้ยเท่าที่นึกออกก็ไม่ทอนเนี้ยไคโอเคีอย่างเงี้ยก็ไม่มีทางได้อ่านอีกแล้วเสียดายพวกอันดจิไงออนดจิเรื่อง เ, เรื่องใหม่นี้ก็หายไปเลยนะ m i ก e d ใช่ไหมออกมาสามสี่เล่มใช่ไหมห้าเล่ม <c oughs> มันพูดถึงการ์ตูนกับพี่บอยบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบเสียใจอะนะ่ะเนาะที่วันหนึ่งเราก็ไม่ได้มีการ์ตูนดีๆอ่านอีกแล้วอะไรเงี้ยมันชีวิตมันก็ขาดแบบอะไร ไ, ไปเหมือนกันนะ <c oughs> ตั้งแต่วงการนัก<ล>สือการ์ตูนเราเขียนเองดีเราเขียนเอง ไม่ใช่มันมันรู้สึกแย่ตรงที่จริงๆมันก็ยังมีพิมพ์อยู่อ่ะอืแต่ว่ามันไม่มีมาแปลเป็นไทยแล้ว อ, ะอ่ะอเขาคนเขียนการ์ตูนที่ปุ่นเขาก็ยังเขียนอยู่ อ, ะอ่ะแต่เราอา่านไม่ได้อา่านละอืมมันเกิดจากอะไรคะเพราะว่าคนี้นนทางอินเทอร์เน็ตใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนแปลไงคือคนที่แปลก่อนที่หนังสือจะพิมพ์ไงคนก็อ่านที่แปลงเงี้ยตอนหนังสือพิมพ์ก็ อาจจะยอดลดลงหรืออะไรเงี้ยหรือไม่บางเล่มแล้วธรรมดายการ์ตูนมันบางเรื่องมันบางสำนักพิมมันออกนานอยู่แล้วเราหลังมันก็ค่อยๆหายทีละอันสองอันจนหมดน่ะพูดเลยมันเศร้าเศ้าไม่คิดเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ไปได้อ่ะชีวิตตอบไปหมดครับแต่ว่า ร้านการ์ตูนที่แบบเออนี่ก็เป็นเรื่องแปลกร้านการ์ตูนที่สถานีไฟใต้ดินน่ะที่พี่ซื้อประจะําอ่ะซื้อมาตั้งนานแล้วเขาหยุดไปใช่ปะ่ะกลับมาห้องนั้นมันเขาหายมันก็โล่งๆอ่ะทุกวันนี้มันกลายเป็นร้านการ์ตูนใหม่แต่ไม่ใช่เจ้าเดิมนะออมันก็มีคนมาเปิดร้านขายการ์ตูนนะมันก็อาจจะดูแบบว่ายังขายได้หรือเปล่าก็าไม่รู้ไง อ, อืมก็ดีใจพอเห็นมีร้านการ์ตูนตรงนั้นกลับมาแต่ไม่ถึงแม้จะไม่ใช่คนขายเดิมมาเถอะอืม คนขายนั้นเขกลับไปอยู่จังหวัดนั่งจังหวัดมีร้านที่อยู่ข้างใต้โรงลครพิคเนต อ, อ่ะอืลงมาชั้นหนึ่งอ่ะอืก็เป็นร้านใหญ่เหมือนกันก็ใหญ่หอหรือต้องข้างๆลีโด้ะนะซ อ, อยข้างๆลีโด้วลานั้นก็ดูเหนียวแน่นนะออืร้านนั้นเขาก็ดูคุยเขาก็รู้เรื่องเยอะเหมือนกันนะถามโน่นถาม น, น, ามนี้เขาจะจําเขาจะจําได้หมดเลยเรื่องไหนออกถึงไหนอะไรเงี้ยกราบสวัสดี พี่ๆอีกครั้งๆผมยังหวังว่าจะจำผมได้ผมคนเดิมฟองกาแฟไม่ใช่ใครเขียนจากใจมาหาอีกหนึ่งคราเฮ้ <Hey. S 1> ฉบับนี้ขึ้นเลขยี่สิบหกโอ้โหคิดไม่ตกว่าจะเขียนเรื่องใดาหาเพราะเรื่องราวรอบด้านที่ผ่านมาล้วนมีแต่ปัญหาให้หนักใจตั้งสติบัรจงคิดค่อยๆเล่าขอแบ่งเอาปัญหาที่ไม่ไหว ค่อยๆถามทีละเรื่องค่อยๆไปค่อยๆแบ่งจะได้ไหวเป็นเรื่องราวฉบับก่อนเขียนไม่เคลียเข้าใจผิดอธิบายสักนิดลบข่าวเฉาแฟนของผมที่เคยเล่าในเรื่องราวเป็นผู้สาวไม่ใช่ชายแต่อย่างใด <c oughs> โปรดเข้าใจว่าผมชอบผู้หญิงและรักจริงกับเธอเป็นไหนๆผมผู้ชายไม่ใช่เกยแต่อย่างใด ขออภัยหากครั้งก่อนเขียนไม่เคลียร์เข้าที่เรื่องค้างใจฉบับนี้เรื่องสงสัยที่บางทีทําหัวเสียก็คุณแฟนของผมโอ้มาดีอะเธอเริ่มมีอาการเนี้ยอยู่ทุกวันเท่าที่ผมสังเกตมาพักใหญ่เรื่องสงสัยมันเริ่มเกิดจากวันนั้นเธอไปงานแต่งงานเพื่อนๆกันหลังจากนั้นเธอก็เริ่มพูดลอยๆ เธอไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวมาหลายงานพอกลับบ้านก็จะบ่นแบบบ่อยๆเพื่อนคนนี้แต่งแล้วเธอยังคอยพูดลอยๆเมื่อไรหนอจะถึงคราแลกได้ยินผมก็คิดว่าพูดเล่นไม่มีทางแต่พักรักแต่พักหลังเริ่มหนักเป็นปัญหาเธอคิดอยากจะแต่งงานแล้วแก้วตาแต่เธอจ๋าผมไม่พร้อมทาไงดีสรุปเรื่องอีกทีกลัวพี่งง นวลอนงอยากแต่งงานครับพี่พี่ผมควรทำอย่างไรกับเธอดียังไม่พร้อมโนมันนี่แต่จริงจังเรื่อง ส, ส, อสินสอดพอมีแต่ไม่เยอะจะช่างเถกู้เอาก็อย่าหวังอย่ากเก็บเงินแต่งงานเพียงลำพังการจะหวังยืมพ่อแม่ไม่ใช่ทางแม้พ่อแม่อยากช่วยผมเต็มที่ผมคนนี้ก็ไม่ยอมใช่บาทหมาง ผมอยากทำด้วยตัวเองจนสุดทางแม้จะเหนื่อยกว่าเดิมบ้างผมก็ยอมแต่ปัญหามันคือแฟนไม่เข้าใจอธิบายแบบไหนใจถนอมพูดยังไงให้เธอรอให้เธอยอมไม่ตรมตรอมเคลียร์ปัญหาแบบลงตัวขอคำตอบช่วยชี้ทางหน่อยครับพี่หวังว่าคงมีวิธีให้หายปวดหัวเหนื่อยแค่ไหนก็จะสู้ผมไม่กลัว ฉบับนี้ขอตัวก่อนสวัสดีฟองกาแฟพอร อ, อ, อการที่แฟนไปงานแต่งงานเพื่อนในกลุ่มบ่อยๆแล้วกลับมาบ่นกับเราว่าอยากแต่งงานมันหมายความว่าเธออยากแต่งงานหรือผมแค่คิดไปเองครับเธออยากแต่งงานครับ <c oughs> <c oughs> ปอรอสอง <c oughs> การแต่งงานมันยากมากไหมครับมองเล็บถามพี่บอยพ <c oughs> อรอสามขอบคุณที่รับฟังครับ ก็นันจะรู้ขึ้นมาเองนะหมายความว่ายากมันก็ยากแหละมันก็จะมีขั้นตอนของมันในเรื่องกระบวนการนะืที่ที่เราอาจจะต้องทำปรับความเข้าใจนิดนึงว่าการแต่งงานมันไม่ใช่แค่เรื่องคนสองคนแหละมันมเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องผู้ใหญ่เรื่องอนี ม, อ ม, มีคนหลายฝ่ายอ ยากก็ยากตรงนั้นอ่ะอแต่อย่างเงี้ยก็แต่ว่าการจะรู้ตัวว่าเราพร้อมจะแต่งงานแล้วอ่ะมันน่าจะรู้ที่ตัวเองอ ม, มันมีพร้อมใช่ไหมหรือ<ช>จริงๆมันไม่จำเป็นต้องพร้อ ม, อมคือบางคนก็จะรอว่าเมื่ อ, อไหร่จะพร้อมก็จะไม่พร้อมสักทีป่ะอือผมผมไม่ได้ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนั้นน่ะอือเพราะเขาคนเขากัดก้อนเกลือกินกันได้ใช่ปะ่ะ มาช่วยกันทํามาหากินได้อย่างงยผมว่าบางอย่างคุณฟองกาแฟเนี่ยคือผมว่าตอนเนี้แฟนเขคงอยากแต่งงานแล้วอะแล้วก็ในตัวที่คุณฟองกาแฟเขาบอกเนี่ยเขาคิดว่าเขายังไม่พร้อมเขาอยากจะเก็บตังค์อีกนิดหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเงี้ยผู้หญิงไม่ได้อะไรเงี้ยอืมายุคไหนแล้วอืมายเพื่อนผู้ชายบูมหลายคนก็คิดอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมมันตัวเอง ต้องรอดก่อนอะไรเงี้ยต้องเอาตัวให้รอดก่อนอจริงหรอกมันจะไม่มีวันนั้นนะความสุขใช่มันจะไม่มีวันนั้นนะมันจะมีคือรบบความคิดพี่นะช่วยกันทํางานอ่ะได้เงินเยอะกว่า <c oughs> หมายถึงว่า<ห>ไม่เขาเรียกอะไรขยันกว่ามีแรงจูงใจมากกว่าพราแต่งงา น, น, นปรับกลายเป็นครอบครัวออมันจะมี พอแต่งงานแล้วกระเป๋าเราไม่ต้องถือแล้วตั้งอ่ะสบายอันนี้ฟองกาแฟอย่าฟัง <subtract ion> นะฮะอันนี้มันยกตัวอย่างให้เฉยแล้วไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติตามทุกอย่างนะพี่อมสัรน่ะต้องคิดว่าการแต่งงานมันยากไม่พี่เป็นคนไม่แต่งงานไงพี่ตกลงเรื่องแรกไงพี่ไม่มีแบบคือพี่พูดตั้งแต่วันแรกเลยเ<อ>ว่าพี่ไม่แต่งงาน <nica S 1> ตกลงกัำเคลียร์จะได้ไม่มามีปัญหาที่หลังอะไรเงี้ยเพราะพี่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่<ล> reads, เรื่องการแต่งงานของผู้หญิงคือเรื่องใหญ่เข้าใจรู้ว่า บางคนนี่เขาต้องแต่งงานไงอืมเราก็ต้องบอกให้เขารู้ตั้งแต่แรก ว, ว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอะไรเ ง, ไงี้ยถ้าเขาเลือกเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้ไงแต่ว่าไอ้ปัญหาอย่างคุณฟองกาแฟเนี่ยจะบอกว่ามันมีคนที่เลิกกันเพราะเราไม่พร้อมเนี่ยเยอะนะอืเห็นเยอะไม่ได้ไปหลอกไม่ด้ลอกสักทีอะไรเงี้ยหรือว่าเขาก็กแกล้งพูดอย่างนี้แหละอยากแต่งงานจังเนี่ยมันเลยจะได้แต่งเนี่ยจริงๆนั้นคือแปลว่าเขาคิดไงแล้วถ้าเกิดมันมันไป บ, บ่อยนี่ผมก็เห็นเลิกมาแล้วหลายคู่นะ อืมเคยเห็นอืมก็อยากจะบอกคุณควงกาแฟาอย่างที่พี่บอยบอกอ่ะบางทีมันไม่จําเป็นต้องพร้อมขนาดนั้นอะ่ะเพราะเวลาเราคิดว่าเราพร้อมเนี่ยเราคุยกับแฟนเราหรือเปล่าว่าพร้อมคืออะไรงไงใช่ไหมอย่างที่พี่บอยบอกเพราะเริ่มต้นจะแต่งงานมันคือสองฝ่า ย, ยางไงเขาอาจจะเห็นว่าเท่านี้ก็เริ่มแต่งอืมได้แล้วนี่เห็นต้องรอพร้อมอะไรหรือเวลาคนา ไ, มไม่พร้อมอะมันไม่สบายใจยพี่พี่ว่าจริงจร ง, งมันไม่ใช่ไม่พร้อม มันไม่อยากแต่งเอิมันอาจจะติดติดเรื่องมันมันอาจจะยังไม่สบายใจที่จะแต่งอะอืมไม่หรือไม่ก็กลัวว่าจินตนาการไม่ออกไงว่าแต่งแล้วจะเป็นยังไงกลัวความเปลี่ยนแปลงอ่ะอืมก็คือยังไม่อยากจะมีครอบครัวว่าง่ายใช่ไหมซึ่งถ้าปัญหาอยู่ตรงนั้นเนี้มันก็มันก็ไม่ให้เกลียดเขาอ่ะอืมบางทีผู้หญิงเขาถึงวัยเขาจําเป็นนะบางทีก็จะต้องแต่งงานบางทีมก็มีความคิดนี้นะว่าแบบ เออลูงมีแต่งตั้งนานแล้วเว้ยอืมออันก็มีพี่ปอยคิดไหมตอนนี้ว่าลูงมีแต่งตั้งานแล้วกำลังดีกาลังดีกำลังดีหรืออย่างเรื่องสินสอดเรื่องเนี้ยบางทีเราคุยได้เนาะเรื่อาเราคิดเองไงแต่ถ้าเราลองคุยกับอีกฝั่งอย่าลืมว่าแต่งงานมันเป็นเรื่องของคนนะไม่ใช่เรื่องเราคนเดียวเลยนะ ใช่ไหมมันไม่เรื่องเรามันเป็นเรื่องของเขาเท่าๆกับเราเลยนะเราคุยกับเขาเลยเนี่ยว่าเราไม่สบายใจเรื่องอย่างนี้สินทรเราจะไม่มีหรือมีไม่พอหรืออะไรเงี้ยพอคุยกันสองกันสองคนพร้อมๆกันอาจจะเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันโดนที่คลายได้ด้วยสองคนมาช่วยกันคิดอะซึ่งกันนี้มันคือต้นแบบของการมีครอบครัวไงมันไม่ใช่คิดจากเราคนเดียวไงใช่ไหมการมีครอบครัวมันคือสองคนในการแต่งงานนี่คือแบบจําลองแรกเลยแหละที่เราจะเริ่ม ทำสร้างครอบครัวมันเป็นตรงนั้นมันเริ่มจากสองคนแล้วมันจะเป็นหลายๆคนมันคือครอบครัวเขากับครอบครัวเราอื m. เรื่องบางเรื่องบางทีเราคิดอยู่คนเดียวแล้วพอไปคุยกับเขาเขาอาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาก็ได้ไงต้องทํางานเป็นทีมฮะอืมใช่แต่พี่สนับสนุนให้แต่งนะฟองกาแฟอืมถึง<ต>พี่จะไม่เป็นคนไม่แต่งงานก็เถอะแต่อยากให้น้องฟองกาแฟถามตัวเองดีๆถามตัวเองดีๆว่าไม่พร้อมมาเรื่องเรื่องนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าใจตัวเองไม่พร้อม แต่ว่าอันอันของผมอะคือผมหลังจากแต่งผมก็พบว่าไอ้อะไรนะพื้นที่ส่วนตัวของความ<พ>ผู้ชายอะอเออที่จะโดนริดรอนไปอะไรเงี้ยมันจริงๆมันเป็นคิดไปเองอะอถึงเวลางจริงมันไม่ได้โดนอะไรอย่างเงี้ยหรอกที่เราพูดกันอะเราล้อเล่นใช่ไหมที่ว่าเราหมอของไงใบหนวาท้องฟ้าแล้วบินไปครับชนปาก อ๋อไันเป็นกระจกเนี่ยเราล้อเล่นที่ระเบิที่ระเบเราล้อเล่นทางน้นบางทีพีมเ่มันเป็นล้อเล่นพี่ผมสันไม่ได้แต่งก็เป็นมันไม่ใช่หรอกมันไม่จำเป็นต้องแต่งหวยเออแบบนี้ก็ได้มันไม่จำเป็นต้องแต่งหรือไม่แต่งหวยเราแต่งงานทั้งหมดนะเราแต่งงานแล้วเราก็ยังเลือกงานเอ็มวีเองได้นี้แหละเออนี้เจ๋งว่ะ ไม่ว่าจะแต่งยังไงแต่มันก็คือนั้นแหละใช่ไม่คือการแต่งเรายังเลือกคนไปร้องเพลงคู่ได้อืมอะไรทั้งสองคนเลยจ้าวมันก็ทั้งสองคนเลยทั้งสองคนเลยที่เราเปิดชั่วโมงแรกค่ะทั้งสองคนเลยแต่งงานเราก็ยังชีวิตมันทั้งสองคนเลยอะไรทำงานเออนะฟองกาแฟลองคุยดูลองปรึกษากัรนาะพี่ว่าจริงแล้วใช่อันเนี้ย เนี่ยหัวใจหลักเลยคือต้องคุยกันปรึกษากันและเชื่อผมเถอะว่าถ้าคุณฟองกาแฟไปคุยกับแฟนนะเขาจะยินดีคุยมากเ็าจะยินดีคุยด้วยมากเลยเรื่องเนี้ยไม่ใช่อย่างที่พี่อยากว่าแหละไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดียวอใช่ มีการขอแต่งงานกันในในแคดเอนแคดฟูดิว l เลยนึกเลยว่าจะได้มีแบบเห็นภาพนี้ใช่อ่ะเป็นน้องคนที่ได้ได้รางวัลแฟนสเตอร์ที่ได้มาร้องเพลงกับเราเห็นไม่โหลดกันเร็วแอฟแฟนสเตอร์โหลดกันเร็วพวกเราเขาไปโพสคลิปลองเพลงใต้คอมเมนต์เกมอันนี้ค่ะแล้วเขาแบบโหวตชนะค่ะเขาก็เลือกเพลงดูที่แตกต่างเข้าไปร้องทีนี้แฟนแฟนเขาเนี่ย เห็นว่าเขาได้ชนะเนี่ยซึ่งแฟนเขาเนี่ยก็ไปเกณฑ์เพื่อนมาโหวต ด, ด้วยค่ะเพราะว่าอยากจะเซอร์ไพรส์อันเนี้ยแต่คนคนที่ได้รางวัลเนี่ยไม่รู้อืมอืมก็เขาก็แฟนเขามาบอกพี่นบเองสองชั่วโมงก่อนขึ้นเวทีว่าแบบผมอยากจะฝ่ายชายฝ่ายชายอะ่ะอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนขอแต่งงานอืมคือฝ่ายชายเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าฝ่ายหญิง อยากจะชนะเกมนี้ใช่ค่ะแล้วตัวเองก็มีคิดอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยไปเกณฑ์เพื่อนเกื่อเพื่อให้ฝ่ายหญิงได้ชนะถ้าชนะเราได้ทําแบบนี้ใช่ค่ะเขาคิดมาแล้วค่ะแล้วก็ชนะจริงๆเราก็มีแบบคนเห็นคนที่ตามตามคะแนนตามมายังคุณดวงดาวเดียวใดก็ส่งคือมีหลายๆคนที่ส่งแต่ก็ไม่ได้อน้องคนนี้ได้ เราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะเราไม่รู้ว่าบัจจุกานเนี่ยผมเห็นพี่แนนพี่แนนที่เป็นทีมโปรดักชั่นน่ะยืนน้ำตาคออยู่แนนแนนสเตย์น่ะเหรอใช่ค่ะไปยืนข้างน้าอะไรอย่างนี้เลยแบบโอ้โหเน่โโหแนนกุ้งเร็วมากอะถ่ายมือถือซูมหน้าพี่แนนเร็วแนน จิงเราก็ไม่เคยชินกับอะไรอะไรอย่างนี้นะตอนโยงขอก้อยนี่ก็งานเราปะงานเราใช่ไหมเราชอบเจออะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนโยงขอก้นี่ของบูมเราใช่ไหมบูมคิดเลยนะตอนนั้นอะตอนตอนตอนโยงอะโย่งก็ปรึกษาบูมนะบูมคิดเลยเรื่องปรึกษาบูมทําไมวะไม่ใช่ปรึกษาไม่คือจัดคอนเสิร์ตให้มันเนีมีบูมเป็นโปรดิวเซอร์จัดคอนเสิร์ตให้มันก็ต้องมาปรึกษาบูมยังคิดเลยว่ถ้าแบบถ้าก้อยมันไม่ตกลงอะมันจะเงียบทั้งฮอรเลยปะอืจะทํายังไงแล้ว ก้อยมันอึ้งไปนิดนึงด้วยพี่วันนั้นน่ะวันนี้เหมือนกันพี่แต่ผู้หญิงเขาก็าตอบตกลงไงแต่ลงมาบนผิงตีนถ้าทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยสู้ <c oughs> เกิดอย่างที่งานคทฟูดดิวอลเราถ้าเกิดฝ่ายหญิงตอบไม่อย่างเงี้ยทำไงเนาะ ใช่จะเป็นยังไงต่อบรรยากาศคุว่าเขาตกลงเลยทันทีเขาไม่เอะเลยแต่ยังไงแล้วมันก็เพลงฤดูที่แตกต่างอยู่ดีมันให้กําลังใจได้หมดทั้งสองอย่างอย่าไปกลัวเวลาไม่เป็นใจได้เพลงมันยังอยู่เลือกเพลงถูกเออี่ถ้ามันเลือกเพลงเจ้าหญิงหรืออะไรเงี้ยนะลงมานี่หยิกกันใหญ่เลยทําอะไรเนี่ยแต่ว่าเขินเขินผู้หญิงก็มีความโสดยิ้มใหญ่เลยเราทำอะไรเนี่ยนแต่โม โหพี่แนนอืมสงสารแนนอินเหลืออีกสิบแปดนาทีพี่บอยค่ะได้ฉบับแหละพี่ว่าทำไมเป็นอย่างเงี้ยเข้าส่งมาเอาเอามาให้เลยใช่ไหะที่มากับขนมมาหรอเหมือนตัดมาจากนิตาสารอะไรเลยอ่ะเนาะไหนเนี่ยมันตัดมาจากนิตยสารเออว่ะเออแปลกดี เป็นปิ้นเหรอพี่บ่ายฮะเหมือนตัดมาจากคอมเมนต์เฟซบุกหริอไงบาเดี๋ยวพี่บายลองอ่านาาดูครับถึงพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกคนคะ่ะกองกำลังส่งสเสบียงมาให้พี่ๆเติมความหวานทานเล่นๆกันนะคะยอดเยี่ยมงานแค t ฟ o o d สนุกมากเลยอาหารอร่อยทุกอย่างข้าวแมวที่พี่จองคลุกให้กินอร่อยแบบ <c oughs> เมื่อกินเข้าไปคาแรก มันทําให้ความรู้สึกย้อนไปตอนเด็กๆที่พ่อแม่คลุกข้าวให้กินโหยังกระหนังกระตูนเลยนะที่เื่อนเลยนะไอ้กระตูนเรื่องนั้นแ่ะปฏิบัติอะไรนะレスปอนหรืออะไรนะผมคุกข้าวคลุกจะเป็นข้าวคลุกไข่ต้มฮะผมจะนเด็กตอนเด็กๆนะมันเป็นรสชาติอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกนี่เชฟยิ้มฮะเชฟยิ้มเชฟกิ่งยิ้มฮะนี่สินะ รสชาติรดมือคุณพ่อ อ, อส่วนคมสันข้อหมูย่างอร่อยมากขอบคุณครับแจ่วอร่อยมากเลยค่ะ อ, อันนี้แย่งน้องปอตกินอืมฮาฮ่าา <laughs> ผมก็ตกใจเหมือนกันที่มันอร่อย <laughs> ทำไมล่ะครับทไมะ่ะ <laughs> ลุ้นมากกมันจะไม่อร่อยส่วนอร่อยที่สุดในงานก็ขนมปังชื่นชีสที่พี่บอยทอดให้กินนี่แหละ เริงนะเราเนี่ยนะเราทำร้อนขนาดไหนเนี่ยนะใช่ไหมเราก็ทำไปเฮ้อกิงใช่คุณไปข้างนอกกลางทิมนิ้วด้วยไอเดี๋ยวนะไอขนมปังชีสเนี่ยมีคนชมสองสามคนแล้วคนที่ชมมีคนคือจุนจุนจริงเหรอจริงดูน่าเสียดยไม่ใช่อยากรู้ว่ามันอ้ำไม่ได้อ้ำคือมันเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งเลย ไอ้ตุ๊กมันเหมือนจองไว้จนๆเขาก็มาต่อร้านอยู่แถวนั้นไงนี่จุนจุนกินได้ไหมอยากกินอันนี้มากเลยพี่บอยเดินพอดีบอกว่าโอ้จุนจุนกินได้อยู่แล้วครับซึ่งไม่ได้รู้เลยว่าไอ้ตุ๊กกากลอยอยู่ให้จนๆไปเรียบร้อยแล้วจนเขกินแล้วบอกอร่อยดีครับหมดให้บอกเคี่ยวหมูย่างอะไรพวกนี้กินอีกก็บอกเลยทอดให้อ เอแวเซียงเวินะนี่ขนาดชื่นใจมัวเทแป้งเข้าไปแป้งหกไปครึ่งถ้าไม่ทำนี้ยังวานนั้นจังหวะนนึ่งมันกำลังตะลึงอยู่ที่จะทำอะไรอู้วขเห็นลูกค้าโลซ่ายืนหัวเราะเองเลยอะตอนชื่นใจเทนั่กลัวมากอะไรนะเอาเขินส่วนไม่เขินชื่นชีตที่ชอนี่อร่อยมากจริงๆนะคะ ขนมปังกรอบนอกยืดในซอสอร่อยมากอืมจดแค่สูตรกลับไปทํากินเองคงไม่พอซอสโรซาไลโคปินค่ะอืต้องให้พี่บอยไปทอดให้กินที่บ้านทุกเช้าแล้วล่ะรอเล่นค่ะอมอาหารขนมเครื่องดื่มต่างๆของร้านอื่นๆที่แอบชิมจากเพื่อนๆซื้อมาก็อร่อยทั้งนั้นเลยจะไม่ซื้อเองเลยเหรอซื้อไปเมื่อไหร่เนี่ยหมายจะไปงานเนี่ยเสียตังค์ว่าต้องถามอย่างนี้ก่อนอื ก็อร่อยทั้งนั้นเลยคอนเสิร์ตก็ดีขาดไปอย่างหนึ่งคือเบียร์ค่ะฮ่าฮฮฮถ้ามีเบียร์ด้วยจะเลิศมากขึ้นอีกแปดร้อยสมสิบ้าเปอร์เซ็นเป็นไปได้ไหมพี่บูมปีหน้าก็ช่วยกันอธิฐานนะคะถ้าน้องๆช่วยกันอธิฐานแล้วก็ทำบุญให้เราเยอะๆเราก็จะมีเบียร์ในงานเป็นสปอนเซอร์ตัวใหญ่ใหญ่ อยากให้วผมไร่มมาที่ถานแล้วพี่ผมจะทุกอยากให้จัดทุกเดือนเลยอยากเจอพี่ๆเพื่อนๆบ่อยๆปลอพี่ปลอยคะการที่เจอของกินที่ดูน่าอร่อยแล้วนึกถึงใครสักคนนี่มันเรียกว่าความรักหรือเปล่าคะพี่อมเลยกครับเปล่าครับผมชอบผมชอบจังหวะเตาะคือเตาะไม่หยุด เขาพูดถึงใครอยู่ถ้าเป็นแย็บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เย็บเขาพูดถึงคนใครอยู่หรือเปล่าอออืก็เห็นเขาพูดเรื่องชื่นขนมปังแล้วเนี่ไม่ก็อะเนี่ยเขาแบบกินอะไรแล้วเขานึกถึงใครอยู่หรือเปล่าเป็นไหมฮะถือว่าเป็นความรักไหมเป็นฮะนะเวลากินของอร่อยนะเราก็นึกถึงคนที่เราชอบอยากเห้ได้กินอะไรเงี้ยใช่ผมว่าใช่ใช่ครับผมเมื่อว่าผมกินอะไรอร่อยก็นึกถึงแม่ตลอดอืมแม่แม่เลยใช่ไหมครับ แต่เนนี้มีหลายแม่แล้วถ้าเกิดเราเห็นคนแล้วเราคิดถึงอาหารเนี่ยพี่บ่อยเป็นอะไรอมีไหมพอเห็นคนคนเนี้ยพอเห็นคนคนี้แล้วเราคิดถึงอาหารชนิดเนี้ยอันนั้นเรียกลักวะหรือเรียกตะกระเห็นหน้าเจตอย่างเงี้ยนึกถึงอาหารเมนูนี้อะไรเงี้ยอันนั้นเรียกตะกระนะคือคงอยากกินของตลอดเวลาออืเห็นหน้ากิ่งนึกถึงมาม่าเออถ้ากิ่งนี้ก็ต้องมาม่าแต่เดยที้จะเป็นข้าวแมวแล้วะ ปุ้มไม่นึกถึงเข้าแมวปุ้มไม่กินเข้าแมวอร่อยข้าวแมวมันอร่อยอร่อยข้าววันนั้นนะที่พี่จ่องครุกนะอืมอร่อยจริงพี่ชิมยังชิมอยู่ไม่เชื่อชื่นใจกินหมดเลยอืมกินหมดถาดเลยแล้วกินกินแบบไม่ใช้ช้อนซ่อมกินแบบแมวกินแบบแมวสองกินสามถ้วยเชฟบอกโหทำหกถ้วยหนึ่ง อะไรส่งมาให้อะไรเนี่ยเสียเตียวเป็ดไม่ใช่ปอลอลอจ้าขอบคุณลุงเม่ที่ให้หนูรบกวนฝากของมาให้ที่นี่นะคะอืมปอลลอลอทานให้อร่อยค่ะแล้วปอลอลใช่ไหมไปไหนบ่อยปอลอไปแล้วใช่ถนอมตัวจากล้องใหม่เองครับขอบคุณมากนะใหม่กับเม่ที่เอาขนมใหม่พวกเรา นี่ก็เป็นเจ้าของโปสการ์ดเค้านี้เขาเอาโปสการ์ดพิมนไปให้พวกเราอีกแล้วนอะขอบคุณมากๆเลยคุณวิทน่ะเป็นรักเ็นลายพวกเราจากหนังรต่างๆครับมีคนฝากของเล่นมาให้พี่ของสันเฮ้ยอุไม่ค่อยไว้ใจแล้วเนี่ยไม่ไมจริงแต่ว่าผมลืมออกมาอืออ๋อครับเป็นตัวของเล่น ที่เขาจะให้เอาส่งเอามาให้ทุกปีอะอ๋อเจอเขาด้วยนี่วันนั้น่ะใช่ไหมแต่อันนี้เป็นรูปพี่บอยจากภาพยนตร์เรื่องเซ็กแอนเซนตนะครับสวัสดีครับพี่พี่ทีมงานรายการแท็กจดหมายเด็กแมวนี่ไม่ได้เขียนในงานแคทฟุตดิวัลสองนะครับเพราะลืมหลายอย่างเลยเลยมือสวยมากเลยนะเนี่ยจากที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปกินเมนูโน่นนี่นั่นจะไปซื้อกากกลับบ้านโหกาดนี่ก็ขายดีมากเลยในงานขายหมดเลยนะเนี่ย้งใจวาจกินเมื้อกากหกานี่มากเลงย จะไปหยิบโปสการ์ดของคุณวิทย์จะไปดู Friday Featuring น้องอิงปรากฏว่าพลาดไปเยอะผิดแผนไปซะหลายอย่างในงานนี้ผมวุ่นมากเลยครับมีอะไรต้องทำหลายอย่างมากสะจนอดถ่ายรูปรวมหลังจับฉลากกับชาวอีเธอร์เลยเอา้าวไม่ได้มาถ่ายรูปด้วยหรอแต่บอกได้เลยครับว่างานนี้เป็นอีกงานของแ a t Radio ที่ผมมีความสุขมากๆขอบคุณทุกรอยยิ้มและมิตรภาพที่ได้รับจากทุกคนนะครับมบม 04.07.17 ปล อ, รอเรื่องที่ดีที่สุดในงานคือการได้เจอเธอนีอ่คุณมอวมอเนี่ยรู้แล้วตอนที่เขาเรียกถ่ายรูป <c oughs> รวมอยู่เนี่ยปุ้มหันไปเห็นถ่ายรูปกับจุนจูนอยู่ <c oughs> เลือกจุนจูนมากกว่าพวกเราไงใช่เลยไม่มีรูปหมู่เลยวายอีกไหมแบบโสการ์ด อ, อันนี้เป็นการ์ด รูปพี่คมสันกับผมนะฮะ beauty a n the beast ใครเป็นผู้หญิงนะคะ <laughs> พี่คมสันไง <laughs> <laughs> ผมชอบมากเลย cat food เสื้อสว ย, สวยๆเต็มเลยคืออะไรคนที่ใส่ไง <laughs> อ๋ <c ười> อเดี๋คนที่ใส่มั้งอะไรเงี้ยจบครับอีกอันนึงจากเมกสีเทา at cat foodival ปีแรกที่ได้มา cat foodival ได้กินทั้งขนมปังชีสทอดของพี่บอยและได้เวิร์กช็อปของคุณวรันทรได้กินทั้งสองอย่างช่างเป็น perfect combination จริงๆด้วยแถมยังได้มาดู Friday Featuring i n ิองวุฒันทรอีกแหมช่างเหมาะเหมือนกับที่กินไปจริงๆครับคืออะไรคือเขาเขากินของพี่บอยกับ ของน้องอิองงีเลยเลยมาดูพี่บอยร้องเพลงคู่กับน้องอิงเรียกว่าพี่บอยมาะกับน้องอิงใช่มันเป็นการออกแบบมา ไ, มไหว้หมดแล้วครับแต่จริงๆขนมปังบอยถ้าไปใส่สปาเก็ตตี้ อ, อิงนี้ก็น่าจะอร่อ ย, อยจริงๆนะอยเขากเลยใช่ไหมฮะเนอะนึงไม่ถึงเลยนะลืมเลยฮะน่าเก็บไว้ทำเนอะมันเป็นแปบลบว่ามันแบบต้องมีมันไม่ใช่เหตุบังเอิญพี่บอยไม่บังเอิญเรื่องพวกนี้ไม่ใช่บังเอิญมันก็เรียกว่าบุกเพยบุกเพย์สันนิวาเนื้อคู่กันแล้ว ก็คงไม่แข้วกันไม่ได้น้องเองที่คิดว่าคุณพี่บอยอายุเท่าพ่อคุณพ่อเขาไม่ได้คิดเลยว่าเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้คิดนะอะไรไปคำนวณแล้วไงเห็นคอลุมบเอนเคซีสแปดแล้วดูพลังของโอตะช่างแรงกล้าโอตะโอโอตะนี่คืออะไรนะคือคนที่ชอบน้องน้องบอยโอชิอิงอิงโอตะบอย โอชินี่คืออะไรนะคนที่เราชอบบูมโอชิจุดๆๆนี่ครบบูมชอบคนนี้แต่คนจุดๆๆเนี่ยมีโอตาเป็นบูมอืม อ, อืมงงเลยไะถามห้ปันได้เรื่องนี้พี่กับพี่บอยก็เรียนรู้มาจากมันนี่แหละขอหลบไปเชียร์เจลลี่ล็อกเก็ตไว้เจอกันอีกครับ thank you ใครฮะนี่เ <it> มคสีเทว กับการ์ดรูปม้าวงจรตอนบรรยากาศที่เขาบอกว่าอันนี้เราต้องขออภัยแฟนเพลง B N K สี่สิเอด for t เหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่เคยรับมือกับบรรยากาศการที่มาเข้าคิวแล้วก็เขากลัวจะมีการแซงคิวเขาเขากลัวอะไรเงี้ยตอนนั้นมีความตึงเครียดอยู่พักหนึ่งอ่ะแต่เราก็พยายามแก้ปัญหาให้เพราะว่ามันเปคนที่ไม่ได้เข้าคิวแล้วไม่รู้ว่ามามาตรงข้างๆไม่รู้ว่ารู้หรือไม่รู้อ่ะแต่เขาเข้าคิวกันอยู่อ่ะมาตรงข้างๆอือเออคือจริงๆเราอยากให้เข้าคิวเพื่อให้เข้าไปนั่งได้ไง แต่บางคนก็จะมาไม่เท่าคิวก็เต็มมาแหละแต่ว่าคือคนที่ไปยืนใกล้ๆจริงๆก็น่าจะมาจากคิวทั้งหมดเพราะคนอยากดูเยอะอืมต้องขออภัยด้วยคราวนั้นเราจะจัดการให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้อือันนี้เป็นรูปโปสการ์ดเป็นรูปหัวหน้าจ่องอุ้มบูมใช่ไหมนี่คือบูมนะสรุปไม่ใช่ชื่นใจนะเพราะดูใสแล้วไม่น่าจะใช่นะไม่น่าใช่อ่ะเพราะบูมอีกรูปหนึ่งหน้าจ่องอุ้มไอ่ะเจ็ดป่ะไม่ได้ถามบิตทหรือกิ่งเปอ เปอร์อ๋อมีมันไม่ใช่เปียอ๋อเอ้เปอร์กว่านี่คือเปียจ่องอุ้มเปอร์แต่มันยังคงวนอย่างนี้เรื่อยไปหลับตาครั้งใดภาพเธอยิ่งวนทำร้ายหัวใจฉันสวัสดีพี่พี่ทีมงานจดหมายเด็กแมวทุกท่านครับวันนี้มางานแค t ฟูดฟีเว l รกินไปเยอะมากอิ่มเพลินเฮี ย, ก, ยกี่ก็มาแบบไม่บอก งานซบเซาไปนิดอาจเพราะมีงานอื่นๆจัดพร้อมกันเยอะแต่การได้มาเจอพี่ๆน้องๆพูดคุยกินข้าวเฮฮาก็ทำให้วันนี้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยช่วงนี้กำลังดูหนังที่มีเหตุการณ์วนลูปเช่น Groundhog Day Edge of Tomorrow อยู่ครับถ้าวันหนึ่งเราไปติดอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อมองไม่เห็นหนทางที่จะมีวันรุ่งขึ้นได้สมมติว่าพี่ๆต้องติดอยู่ในลูปหนึ่งวันแบบนี้หุย ไม่เคยคิดเลยเหตุการณ์แบบไหนที่พี่อยากและไม่อยากติดอยู่ในลูมมากที่สุดครับขอจบจดหมายแค่นี้และขอให้ทุกรุ่งเช้าเป็นวันที่ดีของทุกคนครับโอ้หนี่เจ๋งนะขอให้ทุกรุ่งเช้าเป็นวันที่ดีของทุกคนครับเรทหนึ่งกอคลอหกศูนย์แบบไหนครับไม่เคยคิดเลยนะว่าจะติดอยู่ในลูมแบบไหนจะอยากอยู่อยากติดอยู่ในคอนเสิร์ตวงที่อยากดูเอาบ<น>แบบที่ไม่อยากนี่แบบ ติดลิแล้วมีคนตดน้องติอยู่ในนั้นอะเนาะตายนะพี่แล้วต้องเจอทุกวันเออมันก็ต้องเปในสถานการที่เราไม่ชอบอ่ะแหละถ้าเราจะไม่อยากอยู่อนะเช่นต้องไปเจอคนที่เราไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยนะล้วผมไม่อยากวนไปเจอไออย่างนี้ทุกวันอ่ะนะอืมอืมเออแต่อยากวนแบบลุ่มให้วนลุ่มไม่อยากวนลุ่มไหนนะโหนี่น่าคิดมากเลยคร อ๋ออันนี้ยังไม่ออกฮะเล่ยยังคิดไม่ออกเนีออ<ม>่ยมาจากรายการนี้แหละอวลลูทุกอังคารเลยเนี่ยเล่ก็ติดแล้วเนี่ยเกาฮอกเดย์เนี่ยอันนี้สั้นๆถึงรายการจดหมายเด็กแมว <S <S สวัสดีครับพี่คมสันพี่บอยพี่บุ้มพี่กิงพี่เจ็ดพี่จองทํามาพี่เล็กท่ามา <P hi> พี่อูท่ามาเฮ้ยจดหมายฉบับนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากจะบ่นว่า ติดฝนอยู่ออฟฟิศโว้ยปอล้อหนึ่งฝึกงานอยู่ในละแวกไทมินชานี่แหละอ๋อ oh. ปอลอสองใช้กระดาษออฟฟิศอืม mm. ปอ้อสามอีพ่ออีแม่ตกหนักขนาดนี้จะออกจากออฟฟิศยังไงวะเนี่ยปอล้อสี่วิงแมชชีนข้าวแมวมัสกันมาก mm. ปอล้อห้าข้าแมวก็รสชาติอสัสการ์ไม่แพ้กันอื mm. ปอล้อเจ็ด อ่ะนั่นแหละสิฮะให้เราทักมั้งวพอเราเจ็ดน่าจะเป็นงานดนตรีที่ไม่กี่งานที่เราสามารถคอมมินิเคตกับศิลปินได้ขนาดนี้พอเราแปดงาน c ค t Expo ปน่าจะจัดเดือนธันวานะครับพฤสกิตกาพวกที่เรียนคณะสถาปัตย์น่าจะยังปิดกันไม่หมดเลยือเราเก้าพฤสกิกายนช่วงนี้เป็นไฟ n a ลโปรเจกต์จะเดือดมากพอเราสิบ จดไมาฉบับแรกครับเลื่อนหันไลยพี่บูมจากไอโนนตติ้งครับแล้วเขามาส่งได้ยังไงอ่ะถ้าเขาติดฝนอ่าพี่อันนี้พี่กิ๊กเอาขึ้นมาให้ครับเมื่อกี้เหรอตอนตอนตอนตอนเย็นๆแล้วครับค่ำแล้วบูมเห็นแล้วก็กลับมาได้ละมั้งนะหมดเวลาไหมเล็กสองนาที 1.603 งูสามซอยลาดพร้าวก็าิบสี่แขวงพรปลาเขตวังทองหลังกรุงเทพหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ะครับเขียนจดหมายมาหาพวกเรานะเรื่องของกินประพูธถึงวันนี้ก็เออเราไม่ได้อ่านนานนะเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ที่อยากเขียนก็เขียนมาแต่ว่าอย่าลืมโหลดแอปแฟนสเตอร์ด้วย แล้วยังมีเกมมันไม่ได้หมดแค่ตรงแคทฟูทิวัลเดี๋ยวยังมีเกมให้เล่นต่อไปเรื่อยๆเราก็จะมีของแจกอืเรื่อยๆหรือว่าวงที่คุณไม่อยากไม่ไม่ไม่ได้ดูมานานเนี่ยบางทีอาจจะไปเล่นที่บ้านก็ได้ยสิ่งนี้อาจจะทําให้มีวงมาเล่นที่บ้านเลยไม่บุ้มเคยบอกพี่บอยพี่บอยบุมอยากดูวงพลูอ่ะเอามาเล่นได้ไหมบอกว่าเนี่ยบุมสะสมมิชชั่นเลยเดี๋ยวพี่ดูมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้อเพราะฉะนั้นต้องติดตามใช่ค่ะว่าจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์นะสำหรับการโหลดแอปแฟนสเตอร์อื โหลกัไปได้นะบอกเพื่อนบอกฝูงเลยนะจ๊ะวันนี้พี่เปิลไม่มานะเป็นพี่สองมาแทนนะเดี๋ยวเราฟังพี่สองกันต่อพูแต่สองเนี่ยบุ๊เห็นดูเดินดูดวงทั้งงานเลยค่ะข้างหลังเวทีนี้ผิงขนาดพี่เอก็ดูนะอืมพี่เอดูพี่ซอนนี่ดูสิบเอ็ดใบสิบอ็ดคู่บุ๊กอยากรู้ว่าพี่ซอนนี่แม่งถามอะไรมากเลยเนะี่ยแต่ว่าจะไปถามไอ้สองตรงกรับสิดเพราะว่าเขาอยู่ห้องข้างอืวันเสาร์อะเป็นวันประกาศหวยไง ถูกหวยแล้ว11คู่งวดที่9 <S S S S S ในวันนั้น11คู่งวดที่9ติดกัน <S S สุดๆ <laughs> เป็นพี่ยืนคุยกับสองแล้วก็มีเอ้ไงแล้วลตัดภาพไปทีเฮ้ก็ดูดวง <laughs> ตลกมาก <laughs> เป็นเอ๊ะสองดูดวงแล้ว่ <laughs> อยู่แฟนซอร์กี่ก็ถามว่าพี่บุ้มเนี่ยบอกบอกให้หน่อยดิบอกให้สองดูดวงให้หน่อยอคือทุกคนบอกหมดเลยอะอไปเวิร์กช็อปนะเป็นวิธีเกาหนังจากเวิร์กช็อปเสร็จพี่ซอนนี่ก็บอกว่าขอสองให้ดูดวงให้หน่อยเอเดินไปไหนเอาพกไพ่ตลอดแล้วเดี๋ยวเนี้จริงจริงๆมันมาทางนี้ก็ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็ถามบอกสองดูเดี๋ยวอยากให้ดูดวงให้บ้างนะอะไรเงี้ยมันก็พี่ถาม <c oughs> ใช่ไหมคงเบื่อมากแล้ เดี๋ยวผมจะให้มันตั้งเลยในแคดเอ็กโปเนี่ยดูดวงกันกุศลอืยอดไวจากแล้วเดินมาดูเลยอก็ดีนะออืถ้าพี่บอยเขาต้องดูดวงกับยิปโซด้วยมีสองกับโซกันได้ได้ได้ได้เนี่ยทันทีใช่ไหมยิปโซคิดยังไงกับพี่จ๊ะอะไรเงี้ยดูดูอย่างนี้ได้ไหมแล้วเปิดไพ่เออเปิดไพ่ไปไหนจะเป็นความรักเหรออเออเนี่ยอยากรู้อย่างเงี้ยพี่บอยดูว่ายิปโซคิดยังไงกับเขาอย่างเงี้ยได้ไหม อะไรกับเธอบูมไม่ก็ลองคิดดีไซน์ดูว่าถามอะไรได้บ้างไม่งาไม่อยากรู้กลัวคําตอบแล้วครับที่ไม่อยากรู้นี่คือกลัวคําตอบใช่ไหมฮะปะหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับคอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นหัวหน้าจ่องอ่าบ๊ายบายครับอาทิตย์หน้าพี่แต่อนุญาตให้พี่จ่องมาแล้วใช่ไหมใช่เีพูดอย่างงนะวันที่สิบสี่วันอะไรนะวันที่สิบสี่วันศุกร์ค่ะอ๋อโอเคนีอะไรฮะ บป่าพี่เล็กเขาจะมีซีเคตโชว์จะเชิญพี่ๆจดหมายเด็กแมวไปเอ้าบอกนี่นก็ปมนสีเค็ดดีฮะเอ้ยเขาบอกวันที่แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกที่ไหนวะ ม, มปะครับวันดีครับวันดีครับจดหมายเด็กแมว 2,860 ไมล์คือระยะห่างระหว่างผมกับมิยาบิ UROI e, Hashimoto AKB48 บางทีเร็วๆนี้ผมอาจจะได้ใกล้พวกเธอมากขึ้นได้ยืนบนพื้นดินเดียวกันกับเธอเริ่มบรึบร่ม Honda Presence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 สร้างเส้นทางครั้งแรกไปกับคุณและสายการบินไทย Air H ีเ e ช x ยอช็อกวงการสองดลิตประกาศเป็นแฟนเล็กกรีซี่บอยไตร่ไม่เกรงใจลูกประกาศลล่นขอเป็นแฟนจูนจูนบอยโกษยพงศ์ยอมรับมีแฟนเยอะ